ขอถวายความเคารพและแสดงความนับถือแด่ท่านพระเถรานุเถระทุกรูปซึ่งในที่นี้มีพระเดชพระคุณพระเทพพุทธวิเทศประธานสมัสชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาและท่านเจ้าคุณพระมงคลลรัตนวิเทศ เจ้าวาดวัดมงคลรัตนารามเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านซึ่งมีคุณโยมครุฑสมบัติใหม่ประธานจัดงานฝ่ายครวาดเป็นต้นวันนี้เรามาทำบุญส่งท้าย การจัดงานสมโพธวัดมงคลรัตนารามครบส5สบห้าปีด้วยการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในภาคเหนือของไทยเขาเรียกงานปลอยหลวงเมื่อทำงานใหญ่สร้างอะไรสำเร็จมากมายฉลองใหญ่รวมกัน เรียกว่าปลอยหลวงและถือโอกาสนี้จัดงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นงานใหญ่และทําบุญใหญ่ถวายทานแด่พระสงฆ์นับร้อยรูปสมาทานศีลเจริญจิตภาวนาโดยเฉพาะในเรื่องของ ถวายทานนั้นทานที่ยิ่งใหญ่คือธรรมทานจัดการบรรยายธรรมะเอาไว้ส่งท้ายการให้ธรรมะเป็นทานถือว่าชนะการให้ทั้งปวงและวันนี้งานใหญ่ฝนก็ตก ตกนิดหน่อยเทวดาพรมน้ำมนให้เป็นปกติคนในเมืองไทยเขาบอกว่าเศรษฐีทำอะไรฝนก็ตกยาจกทำอะไรฝนก็แรงวัดนี้รวยฝนเลยตกโยมรวยกันทั้งนั้นนี่เศรษฐีแต่ไม่ต้องตกมากก็ได้ เป็นพิธีอย่างวันนี้และวันนี้เป็นวันที่เราได้มีโอกาสลํำลึกนึกถึงบุ พ, พการีชนของวัดมงคลรัตนารามว่ากว่าจะมีวันนี้ ใครบ้างที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือทำให้เกิดสังคมที่งดงามณนะแห่งนี้ที่ชื่อว่าวัดมงคลรัตนารามพระธรรมทูตไทยมาจากทั่วทุกภูมิภาคของโลก นอกจากจะมาประชุมกันแล้วยังได้มาดูงานอีกด้วยถือว่ามาดูงานและท่านเจ้าภาพหลักคือท่านเจ้าคุณพระมงคลและตวะเทศท่านจะพูดเองก็คงลำบากลำบากใจก็ส่งข้อมูลอะไรต่อมิอะไรไปให้อัตมาเนี่ยให้ตัวกระผมได้ ได้สาทะยายแทนมานั่งตรงนี้ก็ลำลึกนึกถึงความหลังว่าวัดมงคลรัตนารามที่มาถึงตรงนี้วันนี้มาจากบุพการีครูบาอาจารย์ที่เลยนี้เริ่มชักชวนญาติโยมสร้างวัด ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหลวงพ่อพระมงคลเทพโมลีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพรวราวรามหรือที่พระเรามักจะเรียกกันว่าปบก็ได้ทันพบได้ทันเห็นท่านเพราะว่าอาตมานั้นเคยมาเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่ชิคาโกวัดธรรมราม สามสิบสามสิบเอ็ดปีมาแล้วก็ไล่ๆกับอายุของวัดก็ได้มีโอกาสประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยตอนอายุครบสิบปีได้พบหลวงพ่อพระมงคลเทพโมลีได้ประชุมร่วมกัน และจำได้ว่าอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับท่านก็ตอนที่ฝังลูกนิมิตวัดไทยกรุงวชิงตันดีซีในครั้งนั้นโคจรมาพบกันทั้งหลวงเตียพระพรหมวชัชิรยานแล้วก็หลวงพ่อปัญญาอันทะ ก็แบ่งหน้าที่กันเถหลวงพ่อพระมงคลนเทโมรีก็เป็นเจ้าพิธีนำสวดมนต์สวดยาวๆจำได้แค่นั้นว่าขึ้นบทเยอะมากท่านชอบสวมดมนต์โยมนำสวดพอถึงคิวหลวงพ่อปัญญานันทากอเทศเทศไม่จบสักทีหนึ่งเทศยาวทั้งองค์หนึ่งก็สวดยาว องหนึ่งก็เทศยาวโยมก็ยังอยู่หนาแน่นไม่ถอยพระก็ยิ่งเทศลุงพ่อปัญญาก็ยิ่งเทศใหญ่เลยแต่หลวงเตียเนี่ยมาจาก l ออท่านรู้ว่าที่โยมอยู่ไม่ใช่อะไรหรอกรอไหวายลูกนิมิตหลวงพ่อปัญญาก็เทศว่าจะเอาไปทำไม้หวายเนี่ย มันต้องเจิมที่ใจของศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ที่ใจจะเอาไปทำไมฟังอาตมาเทศต่อไปโยมก็ฟังไปฟังมาจนชักนานเข้าหลวงเตียก็ยกไหวายลูกนิมิตเนี่ยนโยมออกไปด้านหลังใครจะเอามั่งโยมกลูกันไม่หมดเลยทิ้งหลวงพ่อปัญญาอยู่หลวงตาชี อาจารย์สอนกรรมาฐานก็ไม่รู้จะพูดยังไงนั่งตาปิบๆอยู่เพราะว่าเป็นบิ๊กด้วยกันทางนั้นอยู่ในบรรยากาศที่อบอุ่นโยมมีพระผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ของเราโคจรมารวมกันในช่วงนั้นซึ่งสุขภาพของหลว ง, ลวงพ่อพระมงมมมกุฎเทพเลยแอลอ้วปบก็แล้วกันยังแข็งแรง และก็ทำให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจแก่พระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาเรามาลํำลึกนึกถึงความหลังเขาเรียกว่าเหลียวหลังแหลหน้าเมื่อปีที่แล้วสม ช, ชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาครบรอบ40ปี ก็ให้ตอตมากระผมเนี่ยไปปาตกถาเรื่องนี้ที่วัดนวมินทรราชุทิศที่บอสตันเหลียวหลังเพื่อที่จะเรียนรู้จากอดีตเบลียนหน้าเพื่อจะก้าวต่อไปสู่อนาคตเพราะฉะนั้นในเวลาที่เป็นโอกาสวันเกิดวันฉลองครบรอบเนี่ย เขาจะทำอย่างนี้กันทางนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นวันครบรอบอายุคนหรือวัดมงคลรัตนารามหรือสมสชาสงไทยมองย้อนกลับไปสู่อดีตเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่านักจิตวิทยาเขาได้ศึกษาแล้วเขาบอกว่า ช่วงเวลาที่เปลี่ยนชีวิตของคนได้มากที่สุดในรอบหนึ่งปีเนี่ยที่จะทําให้คนเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีสองวันแต่ละคนเราเนี่ถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตส่วนมากจะเปลี่ยนอยู่สองวันหัวข้อที่ตั้งว่าเปลี่ยนโลกเนี่ยมันมาจากอข้อค้นพบของนักจิตวิทยา ว่าถ้าคนเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตมักจะเกิดขึ้นสองวันในรอบหนึ่งปีหนึ่งวันขึ้นปีใหม่เปลี่ยนพอสอมใหม่สกราชใหม่เปลี่ยนใจหรืออย่างคนก็มักจะนึกว่าเราจะมี r ล s o l u t i o ่นอธิษฐานจิตทำอะไรใหม่ๆต้อนรับ ปีใหม่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าทำสำเร็จสองวันเกิดของใครของคนนั้นพอถึงวันเกิดเราก็จะมานึกว่าอายุมากขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วตอนนี้ครบรอบกี่รอบเราจะทำตัวเป็นเด็กอยู่ไม่ได้ตอนนี้ ถึงวัยจะต้องเข้าวัดแล้วกเกษียณแล้วมันเปลี่ยนอายุมันไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่มันบอกว่าถึงวัยเราจะต้องเข้าวัดถึงวัยเราจะต้องสร้างครอบครัวแล้วแต่อีกปีเดียวเนี่ยวัดมงคลรัตนารามก็จะครบสามรอบนักสัต สิบสองสามสามสิบหกน่ะน่าคิดว่าจะต้องจัดงานอีกปีหนึ่งหรือเปล่าแล้วอย่าลืมนิมนต์แถวนี้มานะ่ะในไหนก็มากันแล้วสามรอบาฝากเจ้าวาดไปคำนวณให้ดีหน่อยโยมจะหนักอีกรอบหรือเปล่าเมื่อถึงวันเกิด เราก็จะมานึกถึงว่าในอดีตที่ผ่านมานี่ชีวิตเราเป็นอย่างไรและต่อไปในอนาคตเราจะทำอะไรพระพุทธเจ้าตรัส เ, เตือนว่าปุรานังนาพินันทยะนาเวขันติมะกุภเยย่หลงของเก่า แล้วก็อย่าเมาของใหม่ปุรานังนาพินันทยะอย่าไปติดอยู่กับของเก่าเกินไปและก็นวังขันติมกุภเยอย่าไปตะเขาเรียกว่าตะกลุมตะกรามรับเอาของใหม่โดยทิ้งของเก่าเก่าบวกใหม่มันจะทำให้เราเก้าวไปอย่างมั่นคง ฉะนั้นเมื่อถึงวันเกิดวันครบรอบสามสิบห้าปีเก่าเราทำอะไรไว้เป็นภูมิปัญญาขององค์กรเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอย่าไปทิ้งคนดีคนเก่งคนที่มีพระคุณเก็บรักษ า, าไว้นโยบายดีๆประคับประคองไว้ เป็นฐานไปสู่อนาคตที่สดใสกว่าเก่าฉะนั้นเพื่อไปสู่ตรงนี้เราก็มาดูกันว่าคนเก่าเราเรียกว่าบุพการีชนเนี่ยคนที่ได้ทำอะไรไว้ก่อนเขาฝากอะไรไว้แก่เราดีไม่ดีอะไรบ้างเราจะได้เก็บได้สะสมส่งไปสู่อนาคตมองเหลียวหลัง บุพการีที่สำคัญที่ทำให้มีวันนี้ตามภาษิตเขาบอกว่าดื่มน้ำให้นึกถึงคนขุดบ่อทานผลไม้ให้นึกถึงคนปลูกต้นไม้คนขุดบ่อเขาเคยนึกไหมว่าเราขุดบ่อเพื่อในกอในขอจะมาดื่มที่นี่วันนั้นวันนี้ไม่ใช่ เขาขุดของเขาไว้ใครผ่านมาก็มาดื่มมากินปลูกต้นไม้ปลูกมะม่วงเอาไว้และไม่รู้หรอกว่าใครจะมารับประทานผลแต่คนที่มารับประทานผลของมะม่วงต้องขอบคุณผู้ปลูกคนที่มาดื่มน้ําต้องขอบคุณคนขุดบอ่อ ผู้ที่เข้ามาพักอาศัยมาปฏิบัติธรรมมาประชุมที่วัดมงคลรัตนารามต้องนึกขุนถึงบุญคุณของผู้สร้างวัดทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายคฤหัสถ์แน่นอนว่าคนคนเดียวสร้างวัดใหญ่โตอย่างนี้ไม่ได้ใครบ้างใครที่ทำให้ที่ตรงนี้ ซึ่งลบร้างว่างเปล่าอยู่ริมแม่น้ำปามมีแต่ต้นโกงกลางกลายเป็นดินแดนที่คนอเมริกันเนี่ยนะเขาเขียนไว้ในหนังสือฉบับ3 5ปีเนี่ยผมอ่านเป็นภาษาอังกฤษ่คนอเมริกันที่นี่ซึ่งมาเป็นกรรมาการวัดเขาบอกว่าเขาเดินหลงเข้ามาก่อน เข้ากำแพงวัดเข้ามานะที่นี้นึกว่าไปอยู่ประเทศอื่ น, น, น, เนเอเมริกา USA. แต่ที่สำคัญคือบรรยากาศแห่งความสงบสวยงามและสงบเข้ามาตรงนี้ เป็นดินแดนที่เข้ามาแล้วประทับใจทั้งสวยงามและสงบถามว่าถ้ามีแต่ต้นโครงกลางนั้นมันจะสวยงามไหมมันจะสงบไหมไม่แล้วใครสร้างคนที่ลิเริ่มชักชวนญาติโยมมาเลือกที่สร้างวัดถือว่าสำคัญ ญาติโยมก็มีส่วนผู้ชักชวนก็มีส่วนผู้ชักชวนก็คือพระสงฆ์หลวงพ่อพระมงคลเทพโมลีท่านไปสร้างวัดไว้ที่เบิร์กเลวัดมงคลรัตนารามเป็นวัดแรกของท่านในปี 2,521 สร้างเสร็จท่านก็มาดูแถวนี้ไม่มีวัดสักวัดหนึ่ง แล้วก็ทราบว่าคนที่นี่มีคนไทยเยอะมีจิตศรัทธาชักชวนกันสร้างวัดชื่อเดียวกันมงคลรัตนารามที่เมืองแถมป้าในปี2524ปี2524รวมมาถึงปีนี้35ปีสร้างวัด ขึ้นมาโดยญาติโยมที่นี่เข้มแข็งตอนแรกก็ใช้ที่ที่อื่นแล้วหนสุขกรมาซื้อที่ตรงนี้4เอเคอร์และเจ้าวาดรูปปัจจุบันก็ซื้อเพิ่มอีกเป็น8เอเคอร์และก็มีนโยบายที่จะทำอะไรอีกเดี๋ยวท่านฟังท่านเองสร้างและพัฒนาวัดขึ้นมาเป็นวัดที่สองของปบ แล้วท่านก็ยังไปชักชวนสร้างวัดที่สามอีกท่านบอกว่าอยากจะสร้างวัดให้ครบทุกมลรัฐในสหรัฐอเมริกาวัดที่สามไปอยู่ที่ฮาวายพุทธจักรมงคลรัตนารามในปี 2,529 วัดที่สี่ 2,533 พุทธจักรมงคลรัตนารามที่แคลิฟอร์เนียและวัดที่หที่ฟลอริดานี่แหละที่เมืองฟอร์ดววลตันบีชวัดมงคลรัตนารามเช่นเดียวกันสร้างในปี2539้า และท่านคงจะสร้างต่อไปเรื่อยๆถ้าสุขภาพอำนวยนะชักชวนญาติโยมเปลี่ยนโลกใบนี้จากที่ไม่มีธงชัยพระอรหันต์ที่เมืองแถมป้าปักธงชัยพระอรหันต์ให้คนไทยได้เห็นชายพระเหลืองให้คนอเมริกันและคนชาติเด่นๆไม่ว่าลาวขาเขมรเวียดนาม มีที่บาเพญกูศอนนี่คือจิตเจตนาเบื้องต้นของหลวงพ่อพระมงคลเทพโมลีสร้างความเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงอันนี้ถามว่าท่านตั้งใจไหมว่าสร้างวัดเสร็จในกอในขอจะมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้น ต้อนรับเวลคั่มทุกคนไม่ว่าไทยจีนแขกฝรั่งเวียดนามเรามาได้หมดและก็สมประสงค์ของท่านมาทำบุญกันเนี่ยไม่รู้ชาติเชื้อชาติใดจนวัดนี้น่าจะเป็นวัดอินเตอร์อย่างชัดเจนและการที่เวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นประโยชน์แก่ใครเนี่ย ถามว่าผู้ได้รับประโยชน์ควรจะต้องกาตันยูรู้คุณไหมควรจะต้องกาตะเวทีตอบแทนคุณไหมพระพุทธเจ้าสอนว่าใครก็ตามทําประโยชน์แก่เราไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจชื่อว่ามีบุญคุณแก่เราเราต้องกาตันยูรู้คุณ กะตเวทีตอบแทนคุณเด็กสมัยใหม่ตั้งคำถามว่าทำไมต้องกะตันยูต่อพ่อแม่ถ้าเขาไม่เลี้ยงเราถ้าเขาไม่ตั้งใจให้เราเคลอดเราเกิดพระพุทธาศาสนาบอกว่ามันคนละเรื่องกันผู้ที่ทำบุญคุณอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม แต่ถ้าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำให้เราได้ประโยชน์ได้ชีวิตขึ้นมาถือว่ามีอุปการะเราต้องตอบแทนทางนั้นผู้ทำอุปการะไว้ก่อนคือบุพการีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายใครครูบาอาจารย์ก็ตามจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทำให้เราก็ตาม ตั้งใจช่วยหรือไม่ตั้งใจช่วยก็ตามแต่การกระทํานั้นเขาเป็นอุปการะเกือ้อกูลแก่เราเราต้องกระตันยูรู้คุณทางนั้นต้นไม้ปลูกเอาไว้เนี่ยเวลาเราไปอาศัยร่มเงาของต้นไม้ถามว่าต้นไม้ยอยากให้ร่มแกเราไหมมันไม่ได้คิดเลยมันอยากให้ผลแก่เราหรือเปล่า ไม่ได้ตั้งใจแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรากระตันยูต่อต้นไม้พระองค์ตรัสว่ายะัศะลุขสะฉายายะนิสไทยะสยยวะบุคคลนั่งหรือนอนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่พึงหักร้านกิ่งของต้นไม้นั้น ใครทําเช่นนั้นชื่อว่าประทุสร้ายมิตรมิตรตุบโภฮิปาปโกคนทําร้ายมิตรคือตัดต้นไม้เลวแท้ๆขนาดต้นไม้พุทธเจ้ายังสอนให้กระตันยูเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เสด็จออกมายืนเพ่งต้นโพเนี่ยเจ็ดวันอา น, นิมิสเจดี ถือว่าได้ประโยชน์ได้คุณจากต้นโพจึงต้องเพ่งพินิษต้นโพรวมความว่าใครก็ตามที่ทำประโยชน์เราต้องตอบแทนคุณคนที่กระตันญูรู้คุณกระตะเวทีตอบแทนคุณท่านเรียกว่าเป็นคนดีสัปปุริสภูมิ กตัญยูกตาเวทีเป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดีคนดีจะรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์มีอุปการะจะถนอมรักษาแม้ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามเคยไปงานศพคุณยายคนหนึ่งที่บ้านลูกเป็นรัฐมนตรีชี้ให้ดูในห้องพระ มีไม้ขานปิดทองไว้และบอกว่าคุณแม่เนี่ยตอนพุ่ที่พวกเราเด็กๆเนี่ยสอนให้กราบพระแล้วกราบไม้ขานถามว่าทำไมต้องกราบไม้ขานแม่ก็บอกว่าที่พวกเธอได้เรียนจบมหาวิเลยเนี่ยเพราะตอนแม่สาวๆได้หาไม้ขานเนี่ยขายของได้เงินมาส่งพวกเธอเรียนแม่ ตั้งตัวได้มีร้านใหญ่ขึ้นมาเพราะไม้ขานไมคขานมีบุญคุณเพราะฉะนั้นเธอต้องเคารพต้องกราบไหว้ไม้ขานนี่คือความกระตันอยู่แต่คนเราเนี่ยบางทีมองไม่เห็นอุปการะเพราะมันโคง้งมันอ้อมวัดมีประโยชน์ก็ไม่ถนอมรักษาเจ้าอาวาสมาช่วยดูแลก็ไป ไม่สนองงานท่านก็เท่ากับเราไม่กะตัญยูไม่รู้คุณไม่กะตเวทีตอบแทนคุณมันก็จะเหมือนเรื่องที่พระเจ้าเล่าไว้ในพยักขาชาดกว่าลุคเทวดาเนี่ยอยู่บนต้นไม้ใหญ่ลำคาญเสือกับราชสีเสือกับสิงโตสองตัวเนี่ย ไม่รู้เป็นอย่างไรมันมาด้วยกันเป็นเพื่อนกันล่าสัตว์มาจากไหนก็ไม่รู้จับมาแล้วก็มากินด้วยกันเสือกระสิงโตทิ้งกระดูกและซากสัตว์ไว้ใต้ต้นไม้กลิ่นเหม็นโชว์ลุกเทวดาอยู่บนยอดนี่ไม่มีความสุขเลยเห็นกองกระดูกก็ห่อเหี่ยว เห็นได้กลิ่นเหม็นก็ไม่มีความสุขอยากจะไล่เสือกระสิงโตไปให้พ้นลไม่เอาละมันลำขาญจึงไปปรึกษาเพื่อนซึ่งเป็นลุคเทวดาอยู่ที่ต้นไม้อีกป่าหนึ่งบอกเกลอเอ้ยเองนี่สบายแล้วเกิดนะต้นไม้ใหญ่เสือกระสิงโตก็ไม่มากรน แต่เรานี่แยเหลือเกินนะต้นไม้ใหญ่ก็จริงนะแต่ไม่น่าอยู่เสือกระสิงโตมันมากวนจะไล่มันไปดีไหมไล่เสือกระสิงโตไปดีไหมเพื่อนลุคเทวดาเป็นพระโพธิสัตว์ฉลาดบอกว่าอย่าไปไล่นะเสือกระสิงโตมันมีบุญคุณนะ ลุกเทวดาบอกบุญคุณที่ไหนสร้างปัญหาตลอดกวนใจตลอดกลิ่นเหม็นตลอดมันเป็นพวกฝ่ายค้านไม่เอาไล่มันไปเอาพวกยกมือสนับสนุนดีกว่าฝ่ายค้านไม่อยากให้มาอยู่ใต้ต้นไม้ไล่มันไปเพื่อนพระโพธิสัตว์ก็เตือนอย่าทำนะ ใบาขาค้มันเป็นประโยชน์นะถึงยังไงก็ตามมีดีกว่าไม่มีลุคเทวดาไม่เชื่อกลับมาที่วิมานไม่ชอบหน้าเสือกับสิงโตสองตนสองตัวนี้ทำกิ่งหักหล่นใส่หัวมันทำต้นไม้โยกเยก บัรดาลอะไรก็ไม่รู้เวลามันหลับให้มันตื่นกลางคืนดึกๆจนมันเป็นโรคประสาทยอยู่ไม่ได้นะเสือกระสิงโตเลยต้องอพยพหนีหนีไปเลยพอหนีไปแล้วนี่แหละลุกเทวดาจึงรู้สึกสำนึกผิดทำไมจึงรู้สึกสำนึกผิดะ ก็ตอนที่เสือกระสิงโตอยู่เนี่ยมันมีรอยอยู่ตามริมป่าชาวบ้านไม่กล้าเข้ามาตัดไม้ในป่ากลัวเสือกลัวสิงโตแต่พอไม่เห็นรอยเท้าสัตว์ป่าเจ้าป่าแล้วนะขวานมาแล้วเลื่อยมาแล้วนะตัดโครมโครมโครมถางมาเรื่อยใกล้เข้ามาทุกทีทุกตี จะมาถึงวิมานของของลุกเทวดาที่ไล่เสือกับสิงโตทีนี้แหละเจ้นไปหาเพื่อนเราไม่เชื่อท่านไปไล่เสือกับสิงโตตอนนี้ภัยมาถึงแล้วขอรับผิดที่ดูเบาแต่ว่าจะทำยังไงดีละ่ะถึงจะแก้ปัญหาได้ลุกเทวดาที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็บอกว่า ไปอ้อนวอนให้เสือกระสิงโตกลับมาสิก็ไปกันพอไปแล้วเสือกระสิงโตไม่มาแล้วจุย้ยขอค่าตัวเพิ่มพอไม่มาเท่านั้นแหละต้นไม้กี่ต้นกี่ต้นโดนตัดหมดวิมานของเทวดาก็ถูกโคน่นเหตุเพราะ มองไม่เห็นอุปการะประโยชน์ของเสือกับสิงโตคนดีจะเห็นประโยชน์ของทุกสิ่งของทุกฝ่ายและถนอมรักษาเอาไว้วันนี้ที่เรามีวันนี้เพราะใครบ้างพระองค์ไหนบ้างเราจะมาพูดกันว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ท่าน ป, ป๊บสร้างวัดไว้มีผลงานเป็นมรดกก็ใช่แต่มันจะอยู่รอดมาถึงวันนี้เหรอถ้าไม่มีเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์และญาติโยมรุ่นต่อๆมาช่วยกันสร้างพัฒนาวัดถ้าไม่มีโบ ท, ที่งดงามอย่างนี้ในวันนี้ซึ่งสมัยท่าน ป, ป๊บ ยังไม่มีวัดจะมีมูลค่าเพิ่มมีตลาดนัดวันอาทิตย์ที่ใครก็อยากมาอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเลคกอซี่เนี่ยมรดกของคนเนี่ยมันไม่ได้วัดแค่ตอนที่สร้างเสร็จมันวัดว่าหลังจากนั้นได้มีคนรักษาพัฒนาต่อไปอย่างไร ยิ่งพวกเรารุ่นหลังพัฒนารักษาพัฒนาวัดให้เจริญยิ่งขึ้นเท่ากับเรากระตัญญูกระตาเวทีต่อผู้สร้างและคนยุคนี้ก็ต้องนึกถึงบุญคุณของรุ่นต่อๆมาจากท่านปฐบหรือหลวงพ่อมงคลว่าแต่ละคนนั้นได้ทำอะไรทั้งพระทั้งครวะถ น, นอมรักษาเอาไว้เพื่อให้ วัดของเราจเจริญรุ่งเรืองต่อไปและที่สำคัญจะได้ช่วยกันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรียกว่าพัฒนาเปลี่ยนไปในทางเสริมเรียกว่าหายานะเปลี่ยนไปในทางที่ดีเรียกว่าพัฒนาถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันสนับสนุน วัดก็มีแต่เจริญพัฒนาไปอย่างเดียวและจะมีคนกล้าออกมานำหน้าพวกเรามากขึ้นการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ต้องการคนกล้าออกมาถือธงนำหน้ามันไม่ใช่ว่ากรุงโรมจะสร้างเสร็จในวันเดียวไม่ใช่สร้างในเวลาที่นาน และมีผู้นำหลายคนและผู้นำคนเดียวก็สร้างกรุงโลมไม่ได้หลวงพ่อมองขนเทพโมนีรูปเดียวเทพก็สร้างไม่ได้วีรบุรุษวีรสตรีคือใครคือญาติโยมทั้งหลายนี่แหละคือขนทําคนที่มาบอกมาออกไอเดียเนะี่ยเป็นเมนท่อเป็นพี่เลี้ยง แต่คนที่ออกรบทัพจับศึกอ่ะคือทหารพระธรรมทูตเจ้าอาวาสเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเป็นแฟซเลิเตเตอร์ผู้อำนวยการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่คนที่ทำงานเนี่ยหนักเอาเบาสู้เนี่ยแรงงานทั้งหลายมาจากใครพระหมจิวเดินไปเดินมา เดี๋ยวก็หอบแหกแหกจัดงานประดับสวยงามนี่ฝีมือใครรู้ไว้ด้วยที่ฉันพระตาหานี่ใครหุงเพราะฉะนั้นคนที่รีเริ่มสำคัญก็จริงแต่คนที่ทาต่างหากเป็นวีรบุรุษวีรสตรีโลกนี้มักจะไม่ร้องเพลงสรรเสริญ คนที่ออกรบสรรเสริญแต่ขุนศึกแต่แม่ทัพรู้จักแต่เล่าปีรู้จักแต่ขงเบ้งแต่ไม่ได้จารึกทหารพลเดินเท้าทหารมาทั้งหลายเลยแต่ในความเป็นจริงท่านทั้งหลายโลกนี้ไม่ได้สร้างมาด้วยเพชรและมณีเท่านั้น มันมาจากอิฐหินดินทรายอังคารกัลยาณพง์ได้กล่าวเป็นบทกวีไว้ว่าประพันธ์ไว้ว่าโลกนี้มิอยู่ด้วยมะนีเดียวนาสายและสิ่งอื่นมีส่วนสร้างปวงธาตุตํากลางดี ดุลยภาพภาคจั ก, กรพาลมิร้างเพราะน้ำแรงไหนโลกนี้มันไม่ได้เกิดจากเพชรไม่ได้เกิดจากพลอยอย่างเดียวอิดหินดินทรายรวมกันและเกิดสมดุลจั ก, กรวาล น, นี้จึงไม่ได้ล่มสลายวัดนี้ไม่ได้อยู่ที่เพชรที่พลอยอิดหินดินทรายกรวด ต้นโกงกลางก็มีส่วนเราถนอมรักษาให้เกิดสมดุลจึงจะเกิดความงดงามแต่ถามว่าผู้นำไม่สำคัญหรืออย่างไรสำคัญผู้ตามก็สำคัญฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าในโลกนี้มันมีคนทำงานอยู่สองประเภท และคนสองประเภทนี่แหละเปลี่ยนโลกใบนี้ภาษาบาลีที่พระองค์ใช้พระพุทธองค์ใช้ก็คือคําว่าอลังกาตุงอลังสังวิทาตุงคนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้หนึ่งอลังกาตุงพร้อมที่จะทําเองก็ได้ ไม่ทำเองก็เป็นประเภทที่สองอะหลังสั่งวิทาตุงพร้อมที่จะจัดการให้คนอื่นทำก็ได้และสองฝ่ายนี้จะต้องพึ่งพากันผู้จัดการผู้บริหารไม่มีผู้ทำผู้ปฏิบัติการแล้วจะเป็นหัวหน้าได้อย่างไรไม่ใช่ทำเองตั้งแต่สักกระเบื อ, องจนเหลือลบดิ สมผานที่ว่าสะสมภาระเนะี่ยยังไงยังไงก็ต้องมีลูกวัดไปช่วยมีญาติโยมไปช่วยแต่ต่างการตรงไหนท่านทั้งหลายทำไมคนมันจึงยกย่องแต่หัวหน้ายกย่องแต่ผู้จัดการยกย่องแต่ซ e อก็เพราะว่ามันเป็นงานยากคนที่ทำเองเนี่ยลงมือปฏิบัติเองอลังกาตุงเนี่ย ทำเองเนี่ยเขาจ่ายค่าแรงชั่วโมงและกี่เหรียญเฉีวขั้นต่ำนี่ไม่กี่เหรียญเลยทำเกือบตายเนี่ยสับขาไก่โปกโ ป, ก, โ ป, ก, โปกอยู่ในโรงงานน่ะเขาจ่ายเป็นค่าแรงนะเมืองไทยก็3ามร้อยบาทอะ่ะในอเมริกากี่เหรียญในยุโรปกี่ยูโรจ่ายแค่นี้แต่ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการถ้าเราเป็นผู้บริหาร ได้เงินมากกว่าใช่ไหมล่ะเพราะเราใช้คนอื่นทำงานผู้บริหารคือผู้ที่ทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่นเมื่อเราใช้คนอื่นเราใช้สมองอาลังสังวิทาตงุงเราจึงสามารถจัดการได้และคนใช้สมองเนี่ยมันทำได้หลายตำแหน่งใช่ไหมทำได้หลายบริษัทใช่หรือไม่ เป็นเจ้าวาดได้ห้าวัดอย่างน้อยประธานสงฆ์นี่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อมองคณเทพโมโลีเนี่ยท่านใช้สมองไปสร้างวาดันงวดนั้นวัดนี้ท่านก็เป็นประธานบอดก็ได้นี่ไม่ต้องมาช่วยตัดต้นโกงกลางให้เขาปรับสตังค์มาใหม่ๆนี่ไปตัดต้นโกงกลางไม่ได้พยโยมแถวนี้ช่วยตัดหรือเปล่าโดนปรับไปสองพันเหรียญหลวงตาของเราเนี่ยคนไหนไม่รู้ตัด ไม่บอกพระเพราะฉะนั้นคนที่ใช้สมองจัดการเนี่ยอยู่วัดสุทัศน์ก็ได้มาสร้างวัดไว้ที่นี่ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มีตัวอย่างนะเป็นประธานบอร์ดวัดนี้เจ้าดันตัวเองเป็นมอส อ, อยู่ในกรุงเทพตัวไหนมาเปิดวัดเดียวหายไปไหนแล้วเนี่ยอ <c oughs> นี่ไม่อยู่ก็เผากันหน่อยเออเอเพราะฉะนั้นอย่าเผล่นะครับลุกไปละโดนแด่เลยทีนี้ ทีนี้ก็กลายเป็นว่าอย่างนี้ว่าคนที่ใช้สมองเป็นซ e อทําทำงานได้หลายตำแหน่งและได้ค่าตอบแทนสูงคนจึงจดจำคนเหล่านี้แต่ถ้าไม่มีพวกลิ้วล้อไม่มีแรงงานไม่สำเร็จหรอกครับมันจึงต้องพึ่งพากัน เสือผีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสื อ, อยัางดินดีเพราะหญ้าบังหญ้ยายังเพราะดินดีสมัชชาสมไทยก็ต้องพึ่งวัดต่างๆวัดต่างๆก็ต้องพึ่งสมัชชาเพื่อความเจริญร่วมกันแต่ถ้าจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะให้ใครเปลี่ยนก่อน ระหว่างผู้บริหารผู้จัดการกับลูกน้องผู้ปฏิบัติการลูกวัดก็นินทาเจ้าวาดเป็นธรรมดาธรรมดาว่าไดาโนเสาร์เต่าล้านปีจะขออนุมัติอะไรก่อนก็ยากโยมจะมาขอปรับปรุงทำนั่นทำนี่เจ้าวาดก็ตอบว่าทำได้อน my d เด d บ o d y ให้ตายเสียก่อนแล้วให้ทำแล้วเมื่อไหรมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะปรับปรุงเกิดปัญหาใครจะเอากระพรวนไปผูกคอมแมวเราจะเริ่มตรงไหนมีกรณีที่คนคนหนึ่งเขาแต่งเป็นบท กวีในภาษาอังกฤษไว้เพราะทีเดียวแปลให้ฟังไว้อย่างนี้ว่าจะเริ่มตรงไหนเขาบอกว่าตอนที่เรายังหนุ่มอยากจะไปเปลี่ยนโลกทั้งโลกพิชิตโลกย้อนยังหนุ่มยังสาวอยากจะไปเปลี่ยนโลกใบนี้เหมือนบางพวกเราบางคนฝันเฟื่องมาเป็นพระธรรมทูตจะมาเปลี่ยนโลก ทั้งใบนะจนกะเกษียณแล้วยังไม่ได้อะไรสักอย่างเปลี่ยนโลกทั้งใบออกไปพิชิตโลกตอนยังหนุ่มยังสาวทำไปทำมาเห็นว่ามันยากเปลี่ยนประเทศของเราก็แล้วกันกลับประเทศไทยนะไปหาที่ลงอยากจะไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทย อุตส่าห์ไปเรียนข้ามน้ําข้ามทะเลไปแล้วเปลี่ยนโลกไม่ได้แล้วเปลี่ยนประเทศของเราอยู่ไปอยู่มาระดับประเทศมันเปลี่ยนยากเปลี่ยนจังหวัดของเราดีกว่าไม่เปลี่ยนเมืองแถมป้าก็พอลดขนาดลงอยู่ไปอยู่มาเมืองมันก็ใหญ่เกินเปลี่ยนแฟมิลี่ครอบครัวก็พอแล้วยิ่งอายุมากขึ้นนะนะไอ้ลูกเรามันเดินไม่เห็นหัวเราเลยเนี่ย สงสัยครอบครัวเราจะล่ำจมเลยล่ะเปลี่ยนคนในครอบครัวก็แล้วกันเป็นเจ้าว่าก็เปลี่ยนคนในวัดก็แล้วกันไม่เอาแล้วสมติชงสมัชชาเปลี่ยนแค่นี้แหละในวัดนี่แหละให้มันดีขึ้นอยู่ไปอยู่มาวัดก็เปลี่ยนไม่ได้ครอบครัวก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองดีกว่าวนไปทั้งรอบโลกเนะียกลับมาที่ตัวเองมาเปลี่ยนตัวเอง และแก่แล้วน่ะตอนนึกได้ว่าฉันควรจะเปลี่ยนตัวเองนึกได้พอนึกได้ว่าจะเปลี่ยนตัวเองมันก็สายเขาก็เลยบอกว่านี่ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองมาตั้งแต่ต้นนะตอนหนุ่มสาวนะเราก็เปลี่ยนแปลงครอบครัวได้เราเปลี่ยนแปลงครอบครัวได้เราก็ไปเปลี่ยนแปลงเมืองของเราได้เปลี่ยนแปลงเมืองได้เราก็เปลี่ยนแปลงประเทศได้เปลี่ยนแปลงประเทศได้เราก็เปลี่ยนแปลง โลกนี้ได้เพราะฉะนั้นปลุกใจตัวเองคือเปลี่ยนตัวเองเพื่อเปลี่ยนโลกใบนี้ท่านพัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนถ้าไปทำามา เริ่มจากตัวเราเองและอยากจะให้มีสันติภาพโลกโลกใบนี้มันลบกันเหลือเกินไอสิสไอเอไอเอสเดี๋ยวก็ทิ้งระเบิดที่นูน่นเอารถไปชนที่นั่นที่นี่คอยอ่านข่าวอยู่เรื่อยพระธรรมทูตไปเดินแถวชายหาดปารีสบางหรือเปล่าโอ้โลกไม่มีใช้ได้มันมีเหตุอยู่เรื่อยแล้วทํำยังไงโลกนี้อยากจะให้เกิดสันติภาพเริ่มที่ไหน ไปที่สาหประชาชาติเหรอไม่ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นยูเนสโกนะองค์การยูเนสโกเนี่ยเขาเจงเขียน constitution ธรรมนูนของเขาไว้และในประโยคต้นๆใน p r e a m โ l e ในคำปารพของธรรมนูนแห่งยูเนสโกเนี่ยเขาถอดออกมาพิมพ์เป็นใบาจารึกลงใน เพนซิลานะไม่น้อยกว่าเก้าภาษานะตั้งอยู่ที่กรุงปารีสที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโกเมื่อห้าปีที่แล้วเขานนมนตนไปพูดที่องค์การยูเนสโกในสำนักงานใหญ่ในหอประชุมใหญ่ฉลอง26สิบหัศตวรรษแห่งการตรัสรู้ของพระเจ้ารัฐบาลไทยทรงอาตมาทรงกำผมไปเนี่ย ไปพูดในนามชาวพุทธในห้องประชุมประเทศอื่นก็ส่งนะแต่ว่าส่งคารวาดไปมีประเทศไทยที่กล้าส่งพระไปประเทศเดียวก็ไปพูดในองค์การยูเนสโกยังพบมาดามโบโกว่าเลยผู้จัดจา ก, การใหญ่ของยูเนสโกแล้วเดินออกมาหน้าสำนักงานองค์การยูเนสโกที่ปารีสเจอแท่นศิลาจารึก สูงมากจาลึกด้วยอักษรภาษาอังกฤษภาษาอาหรับิกภาษาสรุปน่าจะเป็นอักษรภาษาของสากลชาติห้าภาษาขอโทษห้าภาษาอ่านออกเฉพาะภาษาอังกฤษเขาลอกมาจากธรรมนูญแห่งยูเนสโกประโยคนี้ครับ It is in the mind of men that war b e g i n It is in the mind of men that the d e f e n s e of peace must be constructed ในใจของคนนี่แหละที่สงครามมันเริ่มต้นขึ้นหรือพูดอีกในหนึ่งสงครามเริ่มที่ใจของมนุษย์แต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันไม่ให้เกิดสงคราม มันต้องเริ่มต้นที่ใจของมนุษย์ถ้าเราปลุกใจให้คนมีความรักมีความเมตตากรุณาต่อกันโลกทั้งใบมันจะมีสันติภาพพระพุทธศาสนาเป็ น, นศาสนาแห่งสันติภาพเรามาปักหลักตรงนี้มันจึงมีความสงบมันจึงส่งแสงแห่งธรรมะเนี่ยกระจายไปให้เกิดความสงบเป็นคอมมูนิตี้ที่เนเบอร์ ทั้งหลายชอบไปในยุโรปไปที่ไหนก็นตามเขาโหวตกันแล้วว่าคุณชอบอยู่กับเนเบอร์ของศาสนาไหนเขายกให้พุทธศาสนาเพราะฉะนั้นสันติภาพเริ่มจากใจของคนเอาละ่ะถ้าเราจะเปลี่ยนโลกทั้งใบเราเริ่มจากใจไม่ใช่เฉพาะเรื่องสันติภาพนะ แนวโน้มของโลกทั้งหมดเนี่ยเริ่มจากใจของคนท่านทราบไหมตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยอยากจะปฏิวัติเศรษฐกิจอยากจะปฏิวัติเศรษฐกิจแล้วเกินรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตอนนี้ระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยไทยแลนด์ 4.0 อยากเปลี่ยนประเทศไทยแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน เรียกรวมๆ ว, ว่าไทยแลนด์ 4.0 ถ้าท่านไปประเทศไทยไม่รู้จักคำนี้ตกยุคเขาจะถามว่าท่านมาจากโลกใบไหนไทยแลนด์ 4.0 คืออะไรรัฐบาลไทยแบ่งประเทศไทยออกเป็นสี่ยุคยุคที่ท่านมาเนี่ยอพยพมาเนี่ยอยู่ยุคไหนลองคำนวณดู ยุคที่หนึ่งเรียกว่าไท a แล a ด d 1.0 เวอร์ชั่น 1.0 ยุคที่สองไท l แ n d ด์ 2.0 ยุคที่ส t มไท l แ n d 3.0 ยุคที่ Thailand 4 t h ไท l แ n d ์ 4.0 คือยุคปัจจุบันไท a แ l a ด d 1.0 หมายถึงยุคที่ ไมโครโฟนเนี่ยช่วยปรับให้หน่อยได้ให้เหมือนพูดเมื่อวานนะนะเหมือนแกล้งกันนะเหนื่อยเหน่อยปรับเสียงหน่อยใครคุมเสียงเนี่ยไม่อยากจะบ่นหรอกมาอเมริกาไฮเทคแล้วยังพูดยากเออแขวะนิดหน่อยนะครับตามภาษานักพูดไทยแลนด์ 1.0 หมายถึงอะไรครับยุคที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเพิ่งอุตสาหกรรม ทำนาทำไร่เวลาทำนาทำไร่เนี่ยชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติรายได้เข้าประเทศเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตมาจากผลิตภัณฑ์เกษตรนี่เรียกว่าไทยแลนด์ยุค 1.0 ไทยแลนด์ยุค 2.0 เป็นยุคที่พึ่งรายได้จากอุตสาหกรรมเบาทำรองเท้าทอผ้า ไทแลนด 3.0 เป็นยุคที่พึ่งอุตสาหกรรมนนะักทำรถยนต์ทำสินค้าใหญ่ๆส่งออกอย่างทุกวันนี้เนี่ยมีโรงแรมมีอะไรต่างๆมากมายสร้างใหญ่โตตึกใหญ่โตเรียกว่าไทยแน 0, ลนด 3.0 รายได้ของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ย อยู่ในยุค 3. าศแต่ประเทศไทยไม่พัฒนาเท่าที่ควรวันดีคืนดีเศรษฐกิจมันก็ตกโลกต้มยำกุ้งข้างเงินบาทลอยตัวอะไรหลายต่อหลายอย่างเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเรายืมจมูกคนอื่นหายใจรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยมันยี่ห้ออะไรภาษาไหนมันมีเมตรอินไทยแลนด์ไหม มันเป็นแต่รถยนต์ญี่ปุ่นเยอดรถยนต์เยอรมันรถยนต์อเมริกันเราทำงานหนักแต่รายได้น้อยโม for less ได้ค่าจ้างแต่เงินหลักๆไม่ว่าจะลงแรมอะไรต่างเขาเอาไปหมดต่างประเทศอ่ะโมฟอร์เ s แล้วทำไมเราไม่ทำเล for m o โมทำงานเบา แต่ได้เงินเยอะถามว่าทำงานเบาแต่ได้เงินเยอะนี่ทำอย่างไรเขาก็ดูมาที่อเมริกาท่านทั้งหลายประเทศอเมริกาเนี่ยนะรวยไม่รู้เรื่องเนี่ยมีมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกบิลเลยนแอนเนี่ยไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรประเทศไทยเนี่ยไม่ติดเลยบิลเลยนแนเนี่ยถามว่าคนที่เป็นมหาเศรษฐี ของโลกในอเมริกาเนี่ยนะทำงานอะไรท่านทั้งหลายรัฐบาลไทยก็ดูนะดูคนที่รวยอันดับต้นๆของโลกเช่นฟอบจัดอันดับให้บิลเกสเป็นมหาเศรษฐีของโลกติดต่อกันกว่า10ปีแล้วเกิน10ปีถามว่าบิลเกสทำอาชีพอะไร e ล s for more ไอของที่เขาผลิตเนะี่ยดิสเพนเดเนี่ย บางบางไมโครซอฟต์อะวินโดะโปรแกรมโปรแกรมนะซอฟแวร์นะเรียกว่าเบลด้วยนะซอฟนะซอฟแวร์ครับท่านใช้ซอฟแวร์เนี่ยเป็นสินค้าขายทั่วโลกเป็นมหาเศรษฐีรวยอันดับหนึ่งของโลกสิบกว่าปีแล้ว ประเทศไทยเนี่ยทำอุตสาหกรรมหนักทำหนักๆเลยไม่ได้เป็นเจ้าของโมฟ o ร์เลสเขาบอกว่าที่บิลเกตสก็ดีสตีฟจ็อบส์ก็ตามเดี๋ยวนี้ขายอะไร iPhone iPad มีไหมครับมีกันทุกรูปทุกคนไม่ถ้าเป็นแก๊ตซี่ก็ก็ปี้ไปจากทาง iPhone นี่แหละแต่ว่าฟ้องกันแล้วมันก็ไม่ได้นะเพราะมัน Android แต่มันเกี่ยวข้องกันหมด ใช้สมองครับงานเบามากแต่เทคโนโลยีสูงจึงทำให้ให้อะไรให้ได้เงินมหาศาลเขาเรียกว่านวัตกรรมสิ่งที่รัฐบาลไทยอยากเห็นในประเทศไทย 4.0 เนี่ยคือมีนวัตกรรม i n n o v วช i o n และนวัตกรรมนี่มันเปลี่ยนโลกอย่างไรมันเริ่มจากซิลิคอนวอเลย์ที่ซานฟรานซิสโกถนนยาวไม่มากเลยแต่มันเปลี่ยนงานของคนในโลกนี้ให้มาทำงานเพื่อเรื่องนี้และมีรายได้มหาศาลใช้สมองมากกว่าแรงกายมากกว่าทักษะอื่นผลคืออย่างไรครับรัฐบาลไทยก็บอกว่า ประเทศไทย 4.0 ต้องเป็นยุคที่ใช้สมองมากกว่าแรงงานอื่นๆคือประดิษฐ์สิ่งที่เป็นนวัตกรรมอยากเห็นนวัตกรรมเกิดขึ้นและเมื่อมีนวัตกรรมแล้วประเทศไทยก็จะพัฒนาถามท่านทั้งหลายว่านวัตกรรมคืออะไรเรามาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นดินแดนแห่งนวัตกรรม ไม่ว่าจะโทมัสแอนวาอดิสันไม่ว่าจะไอสไตไม่ว่าจะมาถึงบิลเกตสตีฟจ็อบส์โลกใบนี้ที่สหรัฐอเมริกาขับเคลื่อนด้วยอินโนเวชันเปลี่ยนโลกด้วยนวัตกรรมคนอย่างสตีฟจ็อบบิลเกตทาตรงนี้มันกระทบไปที่เกาหลีใต้กระทบไปที่ประเทศไทย 4.0 ท่านเห็นหรือยังว่า คนมันเปลี่ยนโลกได้ยังไงถ้าเรามาศึกษาว่าแล้วมันเกิดกระบวนการขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยนวัตกรรมเนี่ยมันเริ่มมาจากใครบิลเกตใช่ไหมไม่ใช่บิลเกตมาทีหลังสตีฟจ็อบส์คนเริ่มนวัตกรรมที่ไปกระทบโลกเนี่ยคือสตีฟจ็อบส์และสตีฟจ็อบสเนี่ยเริ่มจากเปลี่ยนโลกใช่ไหมไม่ใช่ สตีฟจ็อบวิจาร์บิลเกตว่านั่งกรรมฐานไม่เป็นมันก็เอาแต่ขายโปรแกรมไม่มีนวัตกรรมเอาแต่ขโมยของเขาที่สตีฟจ็อบคิดค้นบิลเกตขโมยเอาไปขายคนที่จะมีนวัตกรรมต้องนั่งกรรมฐานสตีฟจ็อบคนที่ทำ iPad iPhone เนี่ย นั่งกรรมฐานนับถือพระพุทธศาสนานิกายเซนวันแต่งงานของเขาเอาพระพุทธเอาพระเซนเนี่ยไปเป็นเจ้าพิธีเป็นเรื่องโฆษณาหรือเรื่องจริงตอบว่าเรื่องจริงท่านตอนที่สตีฟจอบยังไม่ได้ทำคอมพิวเตอร์ เล่าคำข้ามกันแลวกันเขาเรียนไม่จบมาหาวิทยาลัยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยริชค่าเรียนมันแพงพ่อแม่เรียนไม่จบพ่อแม่บุญธรรมเรียนไม่จบมัธยมมีอาชีพซ่อมรถเก่าๆมาขายสตีฟจ็อบบอกว่าเอาเงินพ่อแม่มาเรียนมันไม่สบายใจเพราะมันแพงแกเรียนได้สองปีแกเรลราออกสตีฟจ็อบลาออก ลาออกแล้วก็เรียนวิชาที่ตัวเองรักไม่ได้เกี่ยวกับที่ลงในรายวิชาที่จะได้ปริญญาเลยอาศัยอยู่ในหอพักบ้างเช่าหอพักถูกๆบ้างสองปีเรียนจริงสองปีเรียนอยู่อีกสิบเดือนไม่ได้ปริญญาแต่ได้ความรู้เอาความรู้เนี่ยไปสมัครทำงานในบริษัทอาตารี ที่ทำเกมคอมพิวเตอร์ตอนนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC ซอย่างนี้ยังไม่เกิดเดสก์ท็อปยังไม่มีมีแต่คอมพิวเตอร์เอาไปเล่นเล่นเกมสตีฟชอบไปเป็นลูกจ้างของอาตรีและไม่พอใจกับชีวิตที่ไปทำเรื่องเครื่องจักรอยากจะแสวงหาความหมายของชีวิต จึงเก็บเงินไว้ไปอินเดียเจ็ดเดือนจาริกแสวงบุญไปอินเดียเจ็ดเดือนไปหาโยคีไปเรียนกรรมฐานแบบอินเดียเสร็จแล้วไม่ถูกใจกลับมาประเทศอเมริกาไปสำนักเซนปฏิบัติกรรมฐานแบบเซนเซนคืออะไร เซนคือพุทธศาสนามหายานที่ประสบความสำเร็จในอเมริกาก่อนปัจจุบันนี้หลังก่อนสงครามโลกครั้งที่สองมี World Parliament of Religion สภาศาสน า, าโลกในสภาศาสน า, าโลกเนี่ยเขาเชิญ น, นักพูดของศาสน า, าต่างๆมาร่วมกัน World Parliament of Religion ที่ชิคาโก ศาสนาพุทธได้อนาคาริกธรรมปาละจากศรีลังกาและได้อาจารย์เซนจากญี่ปุ่นมาฮินดูได้วิเวกา น, นันทามาจากอินเดียมาประชุมวิร์พาริเมนต์ o ็อบเรลิเปรากฏว่าในส่วนของอนาคาริกธรรมปาละโด่งดังจากครั้งนั้นกลับไปฟื้นฟูพุทธศาสนาที่อินเดียสร้าง เ, เขาเรียกว่าฟื้นฟู ขุษณาในอไเดียกันแล้วกันในส่วนของอาจารย์ญี่ปุ่นกลับไปญี่ปุ่นแต่ฝากลูกศิษย์ไว้ชื่อดี Suzuki กิให้มาแต่งหนังสื อ, เ, อเกี่ยวกับเซนปในภาษาญี่ปุ่นพรคารุสเป็นคนพิมพ์ปรากฏว่าดีท u ซ u k i กิเนี่ยทำให้พุนศนนิกายเซนโด่งดังในอเมริกาเกิดวัดเซนที่นี่เกิดปฏิบัติกรรมฐานแบบเซนที่นี่ เซนแปลว่าอะไรเซนมาจากภาษาบาลีว่าฌานแปลว่าเพ่งฌานสมาบัติน่ะคนญี่ปุ่นออกเสียงว่าเซนคือฌานโดยญี่ปุ่นถือว่ากรรมฐานเนี่ยต้องไม่แยกจากชีวิตประจำวันกรรมฐานต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ต้องมามีสมาธิจึงมีการจัดดอกไม้แบบเซน ปัญจักยานแบบเซนตีกลองแบบเซนแม้กระทั่งสามูไรก็ต้องไปเรียนเซนใช้กรรมฐานหมดคนญี่ปุ่นจึงมีสติมีสมาธิในทุกกิจกรรมเขาเรียกว่าแอพพลายมีดิเทชันในชีวิตจริงซึ่งถูกจริดคนอเมริกันคนอเมริกันเป็นเพล็กมารติซึมปฏิบัตินิยม และปฏิบัตินิยมของเขาต้องไม่แยกจากชีวิตจริงเมื่อสตีฟจ็อบปฏิบัติกรรมฐานเซนเขาได้ถามอาจารย์เซนซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นว่าเขาควรจะสละโลกออกบวช ด, ดีไหมอาจารย์ญี่ปุ่นบอกว่าเซนไม่แยกจากโลกของชาวบ้านคุณอยู่ในโลกใบนี้ปฏิบัติกรรมฐานแบบเซนได้ เพราะฉะนั้นคุณก็ใช้กรรมฐานนี่แหละไปทาในสิ่งที่คุณชอบคุณค้นพบตัวเองที่ชอบอะไรชอบคอมพิวเตอร์ท่านแล้วคอมพิวเตอร์มันว่าด้เรื่องอะไรเลขสองหลักเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ทำสมาธิเอาไปเพ่งพินิษเรื่องคอมพิวเตอร์มันก็ทำให้เกิด การหมกมุ่นเหมือนกับเด็กรุ่นใหม่หมกมุ่นกับเกมคอมพิวเตอร์ไปไหนเนี่ยนะทุกวันนี้นะมันไม่คุยกับเราใช่ไหมสังคมก้มหน้านะ่ะเด็กๆ เ, เล่นเกมผู้ใหญ่เล่นลายมาฟังเทศก็ยังกดลายอยู่ใช่ไหมหนุพีแ่แต่แต่มันเป็นยังไงคอมพิวเตอร์เนี่ย มันทามันเหมาะกับคนที่มีสมาธิมีคอนเซนทรชั่นยิ่งคนมีสมาธิยิ่งทําคอมพิวเตอร์ได้เก่งจึงไม่แปลกที่สตีฟจ็อบเนี่ยเก่งคอมพิวเตอร์ท่านเพราะเขาฝึกสมาธิมีคนมาถามอินเดียทุกวันนี้เนี่ยนะเป็นดินแดนของโยคีเป็นดินแดนของ นักปฏิบัติกรรมฐานสตีฟจ็อบส์บิลเกตส์สตีฟจ็อบส์ไปอินเดียบิลเกตส์ตอนที่จะหาปโปรแกรมเมอร์มาช่วยเขียนราคาถูกๆเขาบินข้ามประเทศไทยนะครับไปแบง ก, กลอไปเอาปโปรแกรมเมอร์คนอินเดียเนี่ยมาช่วยงานของบิลเกตส์คนอินเดียชอบสมาธิเก่งคอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเนี่ยนะถ้าเกี่ยวกับหุ่นยนต์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีแต่คนอินเดียแสดงเป็นตัวเอกตัวหลักก็หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราเนี่ยถ้าใช้สมาธิไปทําเรื่องไหนเราจะเก่งเรื่องนั้นพระเราถ้าทําเอาสมาธิไปใช้ในกิจการใดก็ตามเราจะทําได้ดีทั้งนั้นแม้กระทั่งเรื่องคอมพิวเตอร์ แต่น่าเสียดายนะในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่มีใครทำอคอมพิวเตอร์ได้เก่งเลยมีแต่ไปซื้อของเขาทั้งๆ ท, ท, ที่เราฝึกสมาธิเพราะเราแยกกรรมฐานออกจากงานที่เราทำคนญี่ปุ่นไม่แยกรวมงานกับกรรมฐานเรียกว่าเซนเขาจึงพัฒนาประเทศ และเมื่อสตีฟจ็อบส์จะขอบวชทางอาจารย์เซนบอกว่าอย่าบวชเลยคุณอยู่อย่างนี้แหละไปทำงานของคุณสตีฟจ็อบสก็เลยไปทำงานที่อาตรีใหม่และต่อมาคบเพื่อนคนหนึ่งชื่อวอส์ซเนกวอสเนกนี่เป็นอัจฉริยะโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนเขียนอะไรได้ เขียนเรื่องไอ้แผนผังคอมพิวเตอร์นะแผนวงจรเรื่องว่าเซอร์เคิลบอร์ดเนี่ยแกใช้สมาธิในกาเขียนแกเขียนเสร็จปุ๊บเลยอยู่ในสมาคมนัดคอมพิวเตอร์สมัครเล่นสมัยนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์จริงไม่มีวิชาสอนในมหาวิทยาลัยแกเขียนเสร็จเซอร์เคิลบอร์ดเนี่ยนะทำแผงวงจรเสร็จเอาไปให้เขาลอกกันในสมาคมเอาไปใช้ใครใครใช้ทําอะไรใช้ สตีฟจอบส์มาเห็นเข้าเป็นเพื่อนกันบอกเจ้าวอสเน็เองไปแจกฟรีทำไมไอเซิร์คคิทบอร์ดนี่มันมีค่าทำไมเราไม่ไปทำคอมพิวเตอร์ขายเป็นคอมพิวเตอร์เฉพาะเครื่องไม่ต้องต่อเมนเฟรมเป็น PC ซ e r s อร์ l c o m p คอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยอัลตรีก็ออกมาแต่มันยังไม่มันแพงเราทำให้มันถูกๆไปขาย จจวอสเน็กบอกว่าอย่างไรฉันทำเพื่อแจกทบุญสตีฟจ็อบมีหัวในทางการค้าเราตั้งบริษัทกันดีกว่าจึงเกิดบริษัทแอปเปิลขึ้นมาเพราะเกิดเป็นบริษัทแอปเปิลบริษัทโด่งดังขายดิบขายดีเป็นมหาเศรษฐีวอสเน็กได้ไปต่อว่าสตีฟจ็อบที่ลืมตัวว่าแกมีดีอะไรคนถึงชมแกนกแกหนา ว่าแกเป็นอัจฉริยะทุกวันนี่จะมีสื่อชมแกว่าเป็นอัจฉริยะวันละสิบครั้งไม่เห็นมีใครพูดถึงวอสเน็กเลยซึ่งเป็นคนปฏิบัติการอลังกาตุงไปแพ้อลังสังวิธาตุงคนจัดการเนี่ยโดยวอสเน็กบอกว่าสตีฟช็อปแกไม่ได้เป็นเอนจิเนียร์วิศวกรคอมพิวเตอร์แกก็ไม่ได้เป็น นักออกแบบแกก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งตอกตะปูก็ไม่เป็นฉันสิเป็นคนเขียน Circuit b บ a r d แผงมุงจอนทำทุกอย่างเลยฉันไม่เห็นแกทำอะไรเลยแม้แต่แม้แต่กราฟิกอินเทอร์เหมายถึงการสั่งคอมพิวเตอร์ด้วยแทนที่จะเป็นตัวหนังสือสมัยก่อนเนี่ย แม้ ก, กินทอชเนี่ยเขาสั่งด้วยภาพเนี่ยเป็นคนแรกในโลกไอ้ที่แกสั่งเนี่ยนะด้วยภาพเนี่ยแกก็ขโมยเขามาไม่ได้ผ่าทมอะไรสักอย่างเดียวแต่คนก็ชมแกว่าเป็นอัจฉริยะเป็นอัจฉริยะสตีฟจ็อบตอบว่ายัางไงท่านสตีฟจ็อบบอกว่านักดนตรีบรรเลงเครื่องดนตรี แต่จะมีคนคุมวงคนหนึ่งคุมทั้งวงเรียกว่าวงออเคสตราสตีฟจอฟ็อบคือคนคุมวงคอนดักเตอร์นี่คือบทสรุปที่ว่าวัดของเราอาจจะมีคนทำหลายๆอย่างคือเล่นดนตรีกันคนละชิ้นแต่มันจะต้องมีคนคุมวงคนกำกับเป็นคอนดักเตอร์ และคอนดักเตอร์มักจะเป็นที่รู้จักมากกว่าคนเป่าครุยคนสีซอสีไวโอลินคน เ, เล่นเปียโนโก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่สตีฟจ็อบรู้จักจริงๆแล้วสตีฟจ็อบคือผู้จัดการจัดการให้คนเนี่ยผลิตสินค้าที่ถูกใจตลาดคนอย่างสตีฟจ็อบจะต้องปลุกใจตัวเองขึ้นมาเมื่อปลุกใจตัวเองขึ้นมาแล้ว รู้ว่าตลาดต้องการอะไรเราก็ทำไปตามนั้นฉะนั้นเราเมื่ออยู่ในยุค 4.0 ก็ต้องปลุกใจคนเนี่ยในฐานะที่คอนดักเตอร์ก็ดีในฐานะเป็นคนทำก็ดีต้องมามองดูว่าเราจะสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาโดยเฉพาะในทางศาสนาเรานำพระพุทธศาสนาเข้ามาในอเมริกาเนี่ย สี่สิบกว่าปีถ้านับจากจากสมัชชาถ้านับจากวัดไทยเอเอก็สี่สิบสี่ปีสี่สิบห้าปีแล้วพระพุทธศาสนามาที่นี่มาก่อนวัชรยานของทิเบตแต่วัชรยานเนี่ยเขาเป็นมหายานเขาเฟล็กซิเบิลเขามีนวัตกรรมเขามีอะไรหลายๆอย่างที่ มันตอบสนองความต้องการของคนที่นี่ถามว่าเราซึ่งมาจากเทรวาสเดียเราจะสร้างนวัตกรรมอะไรให้มันนำหน้าในดินแดนแห่งนี้ได้มีอะไรใหม่ๆบ้างสำหรับพุทธศาสนานวัตกรรมคืออะไรอินโนเวชันคืออะไรไม่นวัตกรรมไม่ใช่ประดิษฐกรรม ไม่ใช่อินโนเวชันปฏิกรรมคือค้นพบสิ่งใหม่อย่าง อ, อย่างที่คนเขาไอแซคนิวตันเนี่ยค้นพบแรงดึงดูดของโลกแรงโน้มถ่วงอันนี้เป็นอิน e n เวชันแต่คนอย่างเอดิสันเอาสิ่งที่เขาค้นพบมาแล้วเนี่ยมาใช้ประโยชน์มาขายเราเรียกว่าอินโนเวเตอร์ นักนวัตรกรคนอย่างสตีฟจ็อบส์ไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์คนที่ประดิษฐ์คือวอสเน็กประดิษฐ์ไอเซอร์คิตบอร์ดได้แต่สตีฟจ็อบส์เนี่ยเอาสิ่งที่วอสเน็กประดิษฐ์นิดนึงเอาโทรศัพท์เอาภาพเอากล้องถ่ายรูปเอาอะไรหลายอย่างบันเทปบันทึกมารวมกันเป็น iPad i ไอโฟน ไอแพดไอโฟนมันมีมันมันมาจากไหนโทรศัพท์เขาก็มีคนค้นพบคอมพิวเตอร์ก็มีคนค้นพบของต่างๆมีคนค้นพบหมดแล้วทั้งกล้องทั้งอะไรต่างแต่สตีฟจ็อบส์เอามารวมกันเป็นของใช้ใหม่พกพา ง, ง่ายตอบสนองความต้องการของคนธรรมะพระพุทธเจ้าค้นพบไว้เราไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ท่านทั้งหลาย แต่ทำอย่างไรเราจะเอามาสอนเอามาพัฒนาให้มันเหมาะกับดินแด น, นแห่งนี้เหมือนสติ j จ b บเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เอากล้องถ่ายรูปมาใช้เอาวิดีโอมาใช้เรียกว่า iPad iPhone เขาไม่ได้ใช้แยกกันทีละชิน้นการสอนธรรมะก็เช่นเดียวกันเมื่อมาถึงตรงนี้ที่นี่เนี่ยเราควรจะดึงเอาส่วนที่เป็นแก่นต่างๆเนี่ย มารวมกันแล้วเกิดองค์ความรู้ที่มันแก้ปัญหามันตอบสนองความต้องการของคนที่นี่ได้อย่างไรนวัตกรรมเนี่ยมันมีสี่อย่างนวัตกรรมไม่ใช่ประดิษฐกรรมไม่ใช่ประดิษฐ์สิ่งใหม่เราไม่ได้ประดิษฐธรรมะใหม่แต่เราจะเอาธรรมะที่มาปรับใหม่เนี่ยแพร่เข้าไปด้วยวิธีใหม่ๆ ใ, ให้ประชาชนเข้าถึงชาวบ้านด้วยกัน ถามว่าเราจะทำอย่างไรบ้างทำได้สี่อย่า ง, งนั้นทั้งหลายนวัตกรรมสี่อย่างนั้นก็คือหนึ่ง Product i n n o v a t i น n ะคือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยอย่างที่ได้พูดกันของสตีฟจ็อบส์ไอแพดไอโฟนเนี่ยเป็นนวัตกรรมแต่ในทางศาสนา ควรจะเป็นอย่างไรล่ะเราทำให้เกิดสิ่งที่ใหม่ๆที่ดีงามประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างยกตัวอย่างง่ายๆมาที่วัดนี้เนี่ยถ้าเราอยู่เมืองไทยนะโบสวยๆเป็นเรื่องปกติท่านไม่มีใครสนใจมันมีคู่แข่งเยอะมันเป็นของเก่าชินตาแต่พอยกมาตั้งไว้ที่วัดมงคล รัตนารามมันไม่มีที่ไหนที่มีจั่วสามชั้นน่ยนะซ้อนกันอย่างนี้แล้วได้รูปทรงอย่างนี้ออกแบบศิลปะอยุธยาเนะี่ยเอามาตั้งไว้ตรงนี้ได้อะ่ะคนก็อยากมาดูมาถ่ายภาพนักท่องเที่ยวทริปแอบไวด์เซอร์ อ, อะไรต่างมันก็เอาไปเข้าเว็บไปคนก็รู้ก็มาสิ่งเหล่านี้เรามองว่า เป็นเรื่องธรรมดาโบแเราก็มีอยู่แล้วอะไรก็มีอยู่ในเมืองไทยแต่ที่นี่มันเป็นนวัตกรรมนะท่านทั้งหลายและเราก็มักจะบอกว่ามันสร้างไม่ได้เพราะที่นี่สร้างได้เพราะอากาศภูมิอากาศเหมือนเมืองไทยร้อนมีฝนแต่ภาคเหนือทาไม่ได้อะไรไม่ได้ถามว่าศิลปะไทยที่มันเหมาะมันสอดคล้องที่ได้ในภาคื่นคืออะไร มันมีวัสดุแบบไหนที่ทำได้ถ้าท่านหาพบมันก็เป็นนวัตกรรมในเชิงคันทริเจ์ในเชิงวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่คนก็เข้ามาที่นี่แต่เราก็ไม่ได้มีนวัตกรรมเรื่องเดียวนวัตกรรมในเรื่องวัฒนธรรมอย่างเช่นวิถีชีวิตเรื่องตลาดตลาดวันอาทิตย์ท่านทั้งหลายตลาดวันอาทิตย์ มันเป็นนวัตรกรรมเพราะวัดอื่นไม่ทำโบสถ์ก็ไม่ทำแต่พอที่นี่ทำได้มันก็ดึงดูดคนเข้ามาคนที่จะเกิดไอเดียและมาทำสาเร็จเนี่ยมันมีขั้นตอนยาวมากเริ่มต้ร่มต้นตั้งแต่เสนอไอเดียและมันก็มีอุปสรรคกว่าจะสาเร็จมันก็จะมีคนขาน ควายจะสำเร็จมันก็จะมีความยุ่งยากเพราะฉะนั้นนวัตกรรมใครก็คิดได้ปลุกใจได้แต่จะทำให้สำเร็จหรือไม่มันมีขั้นตอนมันจึงมาส่วนที่สองนอกจากในเรื่องของประดิธกรรมแล้วยกตัวอย่างปริธกรรมอันที่สองก็คือในเรื่องของ process เรื่องของกระบวนการเอเรื่องของ service Service i n n น v a t ว o ันเนี่ยนวัตกรรมในการให้บริการในการให้บริการเนี่ยถ้าเรามีวิธีการใหม่ๆในการให้บริการที่ดีขึ้นเราก็จะดึงคนเข้าวัดปกติวัดไหนก็สอนภาษาไทยวัดไหนก็มีโรงเรียนพุทธสาวนาทิตย์บริการ แต่วัดไหนก็สอนกรรมฐานถามว่าท่านจะมีอะไรเพิ่มไปกว่านี้ไหมเช่อนอย่างวัดนี้มีตลาดนัดอะแล้วจะมีอะไรอีกที่เป็นนวัตกรรมเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาผสมผสานให้การบริการที่ดีขึ้นเราไม่จําเป็นจะต้องให้คนเข้าวัดอย่างเดียวต้องขยายออกไปตกปลานอกบ้าน แนวคิดในการตกปลานอกบ้านเป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการซึ่งจะพูดต่อไปและแทนที่เราจะอยู่แต่ในวัดเราใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่บวกธรรมะที่ดีอยู่แล้วในพระไตรปิฎกบวกการสอนเป็นภาษาอังกฤษส่งไปในไลน์ส่งไปในเออเออส่งไปในทางอินเทอร์เน็ต ทำเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งวัดนี้ก็ทำได้วอลเนเทียเป็นคนอเมริกันที่นี่แต่ต้องให้เขารู้ธรรมะเอาภาษาอังกฤษบวกธรรมะเอามาสอนมันเป็นนวัตกรรมและวัดไหนก็อยากจะทําแต่มันทําไม่ถึงจุดลังกาประสบความสําเร็จตรงนี้สอนกรรมฐานแก่เด็กเป็นคำภีร์เป็นตําลา What the Buddha thought, วัดเดอะบูดาท็อดเราก็รู้ทั้งนั้นพุทธเจ้าสอนอะไรแต่งเป็นภาษาไทยกี่เล่มก็ได้แต่พระลังกามาแต่งขายดิบขายดีเป็นตำราสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก้ท่านวันบูร่าลาหูระสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราไม่มีไอเดียไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราไม่รู้แต่เราไม่ได้ทำเพราะอะไรเพราะเราไม่มีนวัตกรรม ในเรื่องของเซอร์วิสในเรื่องของผลผลิตในเรื่องของกระบวนการกระบวนการก็คือโปรเซสประเทศอเมริกาเนี่ยสหรัฐอเมริกามีกระบวนการในการผลิตที่เป็นนวัตกรรมสำคัญอันหนึ่งก็คือ Assembly Line สายผ่านการผลิตเริ่มโดยเฮนรี่ฟอร์ สมัยเฮลิฟอร์ดทำรถยนต์เนี่ยเขาทำด้วยมือนะท่านยี่ห้อฟอร์ดเนี่ยแพงมหาศาลคนรวยเท่านั้นเป็นเจ้าของรถยนต์ได้แต่เฮลิฟอร์ดบอกว่าเราจะทำ mass production ผลิตออกมาทีละเป็นร้อยคันพันคันและราคาถูกให้คนทั่วโลกได้ขับรถฟอร์ดโมเดลทให้ได้แล้วเขาทำอย่างไรรู้ไหม เขาถาวิธีตัวบวนการการผลิตที่รัดขั้นตอนคันละสมัยก่อนเนี่ยคันละส2บสองชั่วโมงได้หนึ่งคันเวลาประกอบรถยนต์ฟอร์ดนะสิบสองชั่วโมงได้หนึ่งคันแต่เฮนรี่ฟอร์ดทำา a s s e m b l y Li ลน s s อสเซ l บลี่แปลว่าสายผ่านการผลิตสายคันผ่านผลิตก็คือให้คนเนี่ยมี Work Station ยืนประจำที่ แล้วมันก็มีสายผ่านเลื่อนผ่านคนที่ยืนเนี่ยพอพอรถเครื่องจกักรมันมาจากจุดที่หนึ่งมาที่สองก็จะมีคนใส่อะไรเพิ่มเข้าไปใส่เพิ่มไปประมาณแปดสิบจุดสุดสายผ่านพอดีเลยใส่สิบแปดสิบจุดเนี่ยคนยืนอยู่กับที่เดินให้น้อยที่สุดแ0สิบจุดพอครบแปดสิบจุดได้รถยนต์มาหนึ่งคันรถยนต์หนึ่งคันโดยอาศัยเอเซมเบอรี n ไนเนี่ย สายผ่านการผลิตเนี่ยโปรเซสเนี่ยใช้เวลาเท่าไหรไหมท่านทราบไหมก่อนใช้สายผ่านการผลิตหนึ่งคันสิบสองชั่วโมงพอมี a อ s e m b l ล line เหลือเก้าสิบนาทีต่อคันเก้าสิบนาทีต่อคันนะันไม่ถึงชั่วโมงนะเอะเอเอก้าเก้าสิบนาทีชั่วโมงเศษเษน ะ, ะนาทีนาทีเศษเศษเพราะฉะนั้น เก้าาสิบนาทีในชั่วโมงเศษเนี่ยชั่วโมงครึ่งโดยประมาณเนี่ยต่อขันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาอีกโดยอินโนเวชันในด้านของการกระบวนการสมมติว่าถ้าเราจะจัดงานขึ้นมาเนี่ยทำแบบไหนที่มันประหยัดแรงงานประหยัดเวลากระจายออกไปเนี่เดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีเอาซอ r ซิ่งกันตกปลานอกบ้าน ถ้ามันมีใครเก่งเรื่องอะไรก็แบ่งให้เขารับเขาเรียกอะไรซับให้เป็นซับไปซับคอนแทคทำสัญญารับงานใหญ่จากเราแต่ว่าไปให้เขาเหมาไปทำต่อย่อย ๆ, ๆมาเอาแต่ละส่วนมาก็มาประกอบเป็นองค์ประกอบใหญ่ในประเทศไทยเดี๋ยวนี้สร้างทางรถไฟลอยฟ้านี่เร็วมากนะเราเห็นแต่เขาทำเสาไงี ทำเสาไว้สักพักเดียวพอเสาเสร็จคานมาแล้วอะไรมาแล้วมาประกอบปับป๊บๆเสร็จเลยเขาแบ่งงานกันทําไปทําคานไปทําสถานีที่ไหนก็ไม่รู้ตอนทําเสาต่อม่อก็ททาไปแล้วเสร็ จ, กก แ, ลรจแล้วก็เอามาประกอบเข้าด้วยกันนี่เป็น process innovation ฉะนั้นถ้าเราเนี่ยทากระบวนการในการเผยแพร่แบบนี้ จัดประชุมด้วยไอทีมีการเผยแพร่กำลังพูดอยู่นี้ออกไปทั่วโลกนี่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ปรึกษาหารือกันอะไรกันเนี่ยพัฒนาต่อไปเนี่ยหนังสือธรรมะต่อไปเนี่ยเกือบไม่ต้องพิมพ์แล้วท่านเรายังไปคิดแต่กระบวนการแบบเดิมโปรเซสแบบเดิมจะต้องพิมพ์เป็นเล่มไปอะไรต่างถ้าพระคุณเจ้ามีโอกาสนะมาจากเมืองไทยนะแวะไปตำร้านหนังสือนะ ไม่ไม่มีคนเข้าเท่าลรยแล้วท่านไปกินกาแฟกันนะพระไปก็ไปดูหนังสือชาวบ้านไปนั่งกินกาแฟไปนั่งอ่านแล้วก็ไปซือ้อเขาขายตรงแล้วครับอเมซอนน้นร้านหนังสือกําลังหายไปมาในอเมริกาห้างใหญ่ๆ ห, หายไปโล่งไปหมดแล้วน่าจะมาทํำสลาวัดเนาะคนมันไม่ไปชอปปิ้งแล้วเขาซื้อตรงกันหมด แต่ประเทศไทยสร้างห้างแข่งกันห้างแข่งกันถามว่าใครจะมาชอปปิ้งอ่ะเปิดตาดูโลกบ้างวันหนึ่งมันก็จะเหมือนกับที่นี่เพราะเด็กหนุ่มสาวในประเทศไทยเนี่ยเขาใช้โปรเซสต์อินโนเวชันเริ่มขายตรงกันแล้วอาจารย์ที่มาสถาบันเทคโนโลยีราด ก, กระบังพระจอมเกล้าราดกระบังเนี่ยเขาบอกว่าเขาสอนอยู่ในห้องเนี่ย ลูกศิปีหนึ่งนะทำงานแล้วปริญญาตรีปีหนึ่งทำงานแล้วขายตรงขายสินค้าตรงผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยเดือนละห้า0มืนอาจารย์สอนมาตั้งหลายปีได้สี่0มืนหน้าลาออกไปทำงานแบบลูกศิษย์ถ้าเราไม่ปรับตัวไม่เปลี่ยนแปลงวันหนึ่งพระธรรมทูตก็จะตกรุ่น เป็นไดโนเสาร์นะท่านมัวแต่มาทำแบบเดิมๆอยู่เนี่ยไม่ใช้เทคโนโลยีในการเผยแผ่ธรรมะไม่ลงทุนในเรื่องบุคลากรให้มาทำงานแบบสตนะิปจ๊อบน่ะแล้วมีอะไรก็เผยแผ่ธรรมะไปทางออนไลน์ทางอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้คนนิยมอ่านทางนั้นเสียงวิดีโอนี่ไม่ใช่มาถ่ายกันเฉยๆขึ้นยูทูบขึ้นอะไรไป พูดทีเดียวมันจะได้ไม่เหนื่อยไม่ต้องตะเวนไปนะเมื่อไรเมื่อไรก็เล่าอยู่เรื่องเดิมฉะนั้นมาถึงข้อสุดท้ายข้อแรกก็คือเรื่องของมีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมนวัตกรรมข้อที่สองนวัตกรรมด้านการบริการ Service i อ n o v a t i o n ข้อที่สาม Process Innovation กระบวนการการผลิตกระบวนการบริการให้มันรัดให้มันสั้นแล้วข้อที่4 management innovation บริหารจัดการแบบมีนวัตกรรมไม่ใช่ทำอะไรกันอยู่ซ้ำๆอย่างที่เคยพูดไว้เนี่ยจัดการด้วย5อย่างในในมหาจุฬาเนื้ในการเผยแผ่หนึ่งตกปลานอกบ้าน สองประสานสิบทิศสามผูกมิตรทั่วล่าสี่บริหารปัญญาห้าสาริกาป้อนเยื่อพูดไว้แล้วในเมื่อปีที่แล้วตอน4ี่สิปีของสมัชชาพิมพ์เป็นหนังสือด้วยไปอ่านเอาไม่พูดแล้วนี่คือตัวอย่างของนวัตกรรมในการบริหารนวัตกรรมในการบริหารจัดการเนี่ยทำให้พระพุทธศาสนาเอาชนะ ครูทั้งหกเพราะการบริหารจัดการเอาชนะครูทั้งหกที่เป็นคู่แข่งกับพระเจ้าเนี่ยเช่นปุรณะกัสปะนิครนนาตบุตรอะไรก็ตามทายมานั้นเอาชนะอย่างไรเหตุเกิดบันทึกเอาไว้ก่อนพระเจ้าประนิพานสักปีเดียวคู่แข่งคนสำคัญของพระเจ้าคือนิครนนาตบุตรสิ้นชีพ นิครนนาตบุตรเนี่ยในประวัติของเราว่าเป็นบุตรคนช่างฟอนแต่ในประวัติศาสนาโลกเป็นเจ้าชายเมือ่อผู้ทีเจ้าของเราออกบวชแล้วตั้งศาสนาปัจจุบันมีคนนับถือนิดหน่อยเดี๋ยวเอ่ยชื่อท่านจะรู้จักว่าศาสนาอะไรนิครนนาตบุตรเนี่ยสิ้นชีพก่อนพูทีเจ้าประนิพานไม่นานสักปีสองปีพอสิ้นชีพไปแล้วปุ๊บเน่ย ลูกศิษย์แตกกันเป็นสองกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยอ้างว่าศาสดาสอนมาอย่างนี้ฟังมากับท่านเพราะฉะนั้นอย่างของเราถูกของท่านผิดสองนิกายนั้นปัจจุบันเรียกว่าทิคัมพรกับสเสวตมพรทิคัมพรแปลว่านุ่งลมห่มฟ้า เสวตตำพรคือห่มผ้าขาวไอ้นุ่งลมขมฟ้าเป็นไงก็แปลเองปรากฏว่าปรากฏว่าแต่กันตีกันเถียงกันทะเลาะ ก, กันว่าแกเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์แท้ฉันลูกศิษย์แท้นี่เกิดทันนะเกิดทันอาจารย์นะเพราะฉะนั้นฉันสอนถูกแกสอนผิดทำให้คนอื่นเนี่ย สมเพศเวทนาดูสิยังไม่ทันเผาอาจารย์เลยอะ่ะแย่งมรดกทำกันแล้วทะเลาะกันแล้วภาษาลีบุตรได้ทราบเข้าไปบินทบาทได้ทราบข่าวนามากราบทูลเล่าถวายพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยนิครนหน้าตบุตรเนี่ยลูกสิ์แตกกันเป็นเสียงเมื่ออาจารย์ตายแล้วมันจะเดือดร้อนไปถึงอาจารย์ว่าสอนไม่ดีนะงัวแต่ทะเลาะกันอยู่อย่างนี้ แบ่งเป็นสองข่ายแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตแสดงว่าอาจารย์ไม่ได้เรื่องเป็นห่วงว่า ถ, ถ้าลูกศิษย์ทำไม่ดีสำนักแตกเขาก็โทษอาจารย์นี่ทวัดมงคลรัลตนารามพังไม่ได้เรื่องในล้วนะเขาก็โทษว่าหลวงพ่อมงคลดูเริกไม่ดีเลิกงามยามดีไม่ดีห่วงจุ้ยไม่ดี มันเสียหายไปถึงอาจารย์นะตอนที่เมืองไทยนะวัดใหญ่นะวัดเจ้าหน้าจังหวัดนนสมัยก่อนเนี่ยสร้างโรงเรียนใหญ่โตริมแม่น้ำเจ้าพยายกให้กระทรวงศึกษาธิการนี่มตพระผู้ใหญ่ทั่วกรุงเทพไปชยันโตชยันโตสวดมนต์แล้วก็ยกให้กระทรวงศึกษาผ่านไปไม่ถึงเดือนน้ำแม่น้ำเจ้าพยา ซอตะลิงนะซอตะลิงใต้โรงเรียนใหม่ๆนทะ่าลมไปครึ่งหลังลงแม่น้ำเจ้าพยาไปครึ่งหลังเหลืออยู่ครึ่งเดียวหนังสือพิมพ์ผ้าหัวข่าวพระสร้างอีท่าไหนโรงเรียนพังเลยเขาก็ว่าพระสร้างไม่ดีต่อมาเจอกันในงานอื่นเจ้าอาวาสวัดนั้นก็ถูกถามถูกพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งถาม ท่านเจ้าคุณสร้างอีท่าไหนล่ะพังไปครึ่งหลังลงแม่น้ำเจ้าพยานี่ยไปว่าท่านอาตมายืนอยู่ใกล้ๆก็ฟังว่าท่านจะตอบว่ายังไงท่านก็ตอบว่าแทนที่ท่านจะอธิบายว่าสร้างยังไงมันถึงพังท่านชี้หน้าองค์ที่ถามรุ่นลาวเขาเดียวกันแล้วท่านชัยยันโตอีท่าไหนล่ะถ้าไม่โรงเรียนผมพังอะ อาตมาได้ยินก็ถอยที่พราะอาตมาก็ไปชัยันโตกับเขาด้วยมันจะกระทบไปถึงผู้วางดูเลิกดูยามดูอะไรหมดเลยนะถ้าวัดทะเลาะกันเนี่ยนะมันเลิกอะไรเนาะมันโจโลเลิกหรืออะไรแต่ว่าถ้าวัดจเจริญรุ่งเรืองสามัคคีกันนะเหมือนวัดมงคลรัตนารามอย่างนี้โอ้โหปบเยี่ยมเหลือเกินนี่น่าจะเข้าทรงถามเวลาตั้งวัดต่อ เห็นไหมมันดีไปถึงรุ่นครูบาอาจารย์พระผู้เทอเจ้าพอได้ข่าวนิครนได้าตะบุตรคู่แข่งลูกศิษย์ตีกันเลต้องป้องกันปรึกษากับท่านอา น, นุนคือปรึกษากับท่านสารีบุตรสารีบุตรเนี่ยเป็นเทมเสมสเซมเสนาบดีเป็นแขนขวาผู้เจ้าสารีบุตรเอาอย่างนี้กันละกันเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกศิษย์ทะเลาะ ก, กัน ไปจัดการรวบรวมคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนให้เป็นหมวดหมู่เลียงร้อยให้เป็นหมวดหมู่ให้ลูกศิษย์เรียนมันเหมือนกันเวลาเรานิพานแล้วจะได้ไม่ทะเลาะกันภาษาลีบุตรได้พออย่างพุทธเจ้าก็ไปรวบรวมคําสอนทําวิจัยนะสมัยนี้เรียกว่ารีเสิร์ชนะเป็นนวัตกรรมนะสมัยโน้นไม่เคยมีนะเออในการรวบรวมคำสอนอาจารย์เป็นหมวดหมู่เนี่ย นิครนนาตบุตรล่มสลายเป็นเหตุพระพุทธเจ้าก็ให้ภาษารีบุตรรวบรวมคำสอนของพระองค์ภาษารีบุตรก็เลยรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระสูตรพระสูตรหนึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกปกติพระสูตรเนี่ยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่มีพระสูตรนี้เป็นของภาษารีบุตรทั้งร้อยเปอร์เซนต์เลยทั้งพระสูตรเลยเรียกว่าสังคีตสูตร แลลว่าสูตรว่าด้วยการร้อยกรองคำสอนของพระเจ้าเป็นหมวดหมู่จบไปหนึ่งพระสูตรแล้วงานที่ 2, สองภาษาลีบุตรทำอะไรอีกรวบรวมคำสอนของพระเจ้าเกินสิบเป็นหมวดหมู่เรียกว่าทะสุดตรสูตรหมวดเกินสิบทั้งสังคีติสูตรทะสุดตรสูตร เราเอามาเป็นแบบเรียนหมวดหนึ่งหมวดสองหมวสามในนวโกวาดหลักสูตรนักธรรมตรีเนี่ยเอามาจากของภาษาลีบุตรในพระไตรปิฎกแต่ภาษาลีบุตรสิ้นชีพก่อนพระพุทธเจ้านิพพานนิพพานก่อนพอพระพุทธเจ้านิพพานปุ๊บพระมหากรสปะรับหน้าที่ต่อ นิมนพระอรหันห้าร้องคงมาประชุมแล้วถามว่าพุรธเจ้าสอนอะไรรวมคำสอนของพระเจ้าเป็นหมดหมู่เรียกว่าพระไตรปิฎกในปัจจุบันนี่คือสังคีติแปลว่าสังขยาเพราะฉะนั้นการสังคยาเนี่ยเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นตั้งแต่พระเจ้ายังอยู่และเกิดสังคีติสูตรทุตรสูตรและมหาคสปะมาสานต่อ เป็นพระไตรไปิฎกในปัจจุบันพระพุทธศาสนาเมื่อมีพระไตรไปิฎกปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นศาสนาที่แพร่ไปทั่วโลกส่วนศาสนาของนิครนนาตบุตรรู้กันในชื่อปัจจุบันว่าศาสนาเชนของศาสดามาหาวีระมีคนนับถือไม่ถึงห้าล้านคนในอินเดียปัจจุบันนวัตกรรม ทำให้รักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้เรารุ่นลูกสิทธ์ต้องมีนวัตกรรมในการบริหารในการจัดการเพื่อนําพระพุทธศาสนาแพร่หลายไปต่างแดนไปทั่วโลกและนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจากสองอย่างหนึ่งจากคนภายในช่วยกันคิดช่วยกันทําเช่นภาษาลีบุตรปรึกษากับพระเจ้าเกิดปัญหาที่ นู่นที่นี่ในนิครณน่าตบุตรเราต้องมาพัฒนาพระพุทธศาสนาของเราแข่งเพื่อไม่ให้ล่มสลายเหมือนคู่แข่งพัฒนางานของเราเพื่อไม่ให้คู่แข่งล้ำหน้าองค์กรภายในต้องปรึกษาหารือกันมันจึงเกิดนวัตกรรมอย่างที่สมัชชากับสาภาพสง์ในยุโรปหรือที่ไหนทั่วโลกมาคุยกันไม่ใช่มาคุยกันแค่งานรู้ทีน งานประจำวันแต่ต้องการให้เกิดนวัตกรรมเพื่อเอาชนะคู่แข่งถามว่าคู่แข่งคือใครคู่แข่งก็คือาศาสนาด้วยกันนี่แหละนิกายไหนก็แล้วแต่าศาสนาอื่นด้วยเวลาที่เราแข่งกับไทรก็ตามเนี่ยเขาบอกให้ดูเวลาวิ่งแข่งกับเสือในป่าเวลาเสือไล่กัดเราเนี่นะไล่ตะครุบเราเนี่ย สมมตโิโยมเปิดร้านอาหารไทยเนี่ยนะแล้วอยู่ตรงหัวมุมนี้ไอ้คู่แข่งมันก็มาอยู่ตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นเนี่ยนะแล้วแข่งในทางธุรกิจเนี่ยเราจะให้มันนวัตกรรมขนาดไหนอร่อยสุดเลยหรื อ, อยังไงดีสุดไหมไม่ใช่จากเราอยู่หลังท้ายเนี่ยไปดีสุดเนี่ยมันหืดขึ้นคอเพราะฉะนั้นเราทํำยังไงรู้ไหมเวลาเราวิ่งหนีเสือในป่า เราไม่ต้องวิ่งนําหน้าเป็นคนที่หนึ่งไม่ต้องเราไม่ต้องการเหรียญทองท่านเราไม่ต้องวิ่งไปอยู่อันดับหนึ่งมันจะเหนื่อยตายอาหารเราอะไรเราไม่ต้องไปอยู่ที่หนึ่งเราทำยังไงเราอย่าให้หลังท้ายก็พอชนะไอ้คนอยู่ท้ายเพราะเวลาเสือกินมันกินคนสุดท้ายเรารอดเพราะฉะนั้นไอ้คนสุดท้ายสองคนนี่แหละที่มันจะวิ่งแข่งกันนะ ไอ้ไข่ตกไปคนนั้นเสือกินในการทํานวัตกรรมก็เช่นเดียวกันเราก็ค่อยๆก้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากการประเมินองค์กรภายในและอันที่สองจากการมองไปนอกองค์กรไปดูข้างนอกบ้านเราบ้างว่าเขาทําอะไรที่ไหนดีก๊อปปี้ออกมาเ ล, ยเลียนแบบเอามาเอามาปรับทําไมพุทธศาสนา นิกายเซนแบบมหายานจึงประสบความสาเร็จในเอเมริกาเป็นอันดับแรกตามมาด้วยวัชรยานในปัจจุบันเมื่อไรจะถึงเถรวาทเราไปดูเขาก็ได้ไปดูเซนก็ได้ไปดูวัชรยานก็ได้แล้วก็เอามาปรับของเหล่านี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งเราไปดูนอกองค์กรศาสนา ทำไมเขาเอาคำสอนศาสนาเนี่ยไปใช้ปฏิบัติในภาควิทยาศาสตร์แพท ย, ยศาสตร์จิตบาบัดเมื่อประชุมวิสาขาบูชาโลกที่ประเทศไทยในเดือนอพฤษภาเนี่ยได้เชิญนักวิทยาศาสตร์นักจิตวิทยานักจิตเวช นักปรัชญาและก็อาจารย์สอนกรรมฐานทั่วโลกไปประชุมสัมมนากันที่ประเทศไทยมากันทั่วโลกเลยทุกนิกายและนักวิทยาศาสตร์นักปรัชญามาเจอหน้ากันส่วนที่น่าสนใจเนี่ยเราแบ่งเป็นห้องห้องของวิปัสสนาอาจารย์อาจารย์กรรมฐานทั่วโลกอยู่ในห้องเดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เถรวาทมหายาณ วัชร ย, ยานส่วนเอ ก, กลมหนึ่งเป็นนักปรัชญาเป็นศาสตราจารย์ศึกษาพระไตรปิฎกว่าพระไตรปิฎกบาลีจีนเกาหลีญี่ปุน่นทิเบตมีคำสอนว่าในเรื่องกรรมฐานอะไรบ้างห้องนี้เขาก็คุยกัน อีกห้องหนึ่งน่าสนใจและไปเข้าฟังเองจิตเวชจิตบำบัดนักจิตวิทยาเอากรเมฐานไป practice อย่างไรในเป็นในคลินิกของเขาก็ไปนั่งฟังปรากฏว่าพวกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นักจิตวิทยานะก็นำเสนอ เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวเป็นนําเสนอในในห้องนั้นเนี่ยนะคือเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเวลาที่ไปปฏิบัติเป็นจิตบําบัดเนี่ยใช้วิธีแบบตะวันตกมันก็ได้หรอกแต่ว่าบางเรื่องบางอย่างมันเป็นการรักษาไม่ใช่การป้องกันถ้าจะป้องกันเนี่ย มันต้องก่อนที่จะเป็นโรคจิตมันจะต้องก่อนที่จะเกิดปัญหาทางจิตและเขาค้นพบว่ากรรมาฐานเนี่ยช่วยลดอาการของคนที่จะเป็นโรคจิตได้ก่อนก่อนที่จะเสียจริตนะนะโดยใช้ mindfulness คือเรื่องสติไปลดความเครียดของคนไข้ ใช้ mindfulness ลดความเครียดของคนไข้และพอลดความเครียดมากๆเข้าได้ผลมากขึ้นเนี่ยเขาจะไม่เป็นโรคจิตโรคประสาทกระบวนการนี้คนที่เริ่มต้นได้เอาไปสอนในมหาวิทยาลัยที่เมซาชูเซาชูเซตชื่อจอห์นกระบาดซินในอเมริกาเนี่ยจอห์นกระบาดซินได้เอาไปสอนในมหาวิทยาลัยแล้วก็ตั้งเป็นสถาบันที่ เมชาเมซาชูเซกปัจจุบันนี้ในวงการแพทย์จิตแพทย์เนี่ยแปดสิบเรเซเรียนเรื่องไมฟูเนสเรียนเรื่องสติถามว่าสติมาจากนิกายไหนวิปัสสนาก็ได้เทรวัตก็ได้เซนก็ได้เอาไปใช้ได้หมดเพียงแต่เราจะต้องเชื่อมไปถึงในมหาวิทยาลัย จิตตะเวจจิตบห ม, มัดและปรากฏว่าในสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกนี่นะกำลังสอนเรื่องสติกับเด็กมัธยมเด็กประถมในสหรัฐอเมริกากำลังตื่นเต้นกันมีคนเรียนเรื่องกรรมฐานเพื่อเอาไปใช้มากขึ้นมากขึ้นเรื่องสติโดยเฉพาะเขามีชื่อย่อนะ ของจอนกบัตสินเนี่ยเขาเรียกว่า MBR My f u l n e s s Based Stress Reduction ในฮังการีก็เอาไปใช้เมื่อจัดประชุมได้ความว่าคนที่ฮังการีเนี่ยนะมีสมาคมเรื่องนี้มามาบรรยายให้เราฟังก็นั่งฟังเขาเสร็จแล้วมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เทะเทอ้างว่าที่เขาใช้เนี่ยบำบัดเนี่ยเป็นจิตแพทย์เนี่ย มาจากพระพุทธศาสนานักปรัชญาจากอียิปียลุกขึ้นถามไอ้ที่คุณพูดเนี่ยนะมันเป็นวิทยาศาสตร์ไปหมดพุทธศาสนามาอยู่ตรงไหนคุณเอามาเพียงแต่สับทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่วิธีปฏิบัติการของคุณเนี่ยมันเป็นจิตตเวทแบบฝรั่งแบบตะวันตกคุณมาตั้งชื่อ เป็นพุทธศาสนาได้อย่างไรโดยที่สองฝ่ายเถียงกัน เ, เ, เรานั่งฟังอยู่ดิเสร็จแล้วนักปรัชญาจากอินเดียก็ถามจิตแพทย์คนนั้นนักวิทยาศาสตร์คนนั้นว่าผมถามคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจิตแพทย์หรือเป็นนักจิตวิทยากันแน่อ่ะ เป็นจิตเป็นนักจิตวิทยาหรือนักปรัชญากันแน่นักปรัชญาเป็นคนถามนะว่าพพุทธเจ้าเป็นอะไรเป็นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์กับเป็นนักปรัชญาเนี่ยเป็นอะไรพวกเราซึ่งอยู่ตรงนี้มักจะคุ้นกับพุทธปรัชญามักจะตอบว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักปรัชญาแต่จิตแพทย์คนนักก้นแกตอบฟันธงเลย ผมว่าพุทธเจ้าเป็นนักจิตวิทยาเป็นจิตแพทย์เอกของโลกนึกถึงอะไรท่านนึกถึงมาลังกาลุกยศุปตสูตรมาลุงกยปุปตสูต ร, ตรเวลาที่มีคำถามทางปรัชญาว่าตายแล้วไปไหนจิต กับร่างกายอันเดียวกันหรือต่างกันสมองกับร่างกับจิตเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันพระพุทธเจ้าไม่ตอบเป็นอพยาการตะปัญหามาลุงกยาบุตรไปถามว่าโปรดตอบถ้าไม่ตอบจะศึกพระพุทธเจ้าก็ถามมาลุงกยาบุตรว่าตอนที่บวชเข้ามาเนี่ยในคำขอบวชมีเงื่อนไขไม่ว่าจะต้องตอบคาถามนี้แล้วให้เธอบวช ถ้าไม่ตอบคำถามนี้เธอจะไม่บวชมีไหมในคำขอบวชนะ่ะไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องตอบเพราะพระพุทธเจ้าไม่ตอบเพราะไม่รู้หรืออย่างไรพระพุทธเจา้าอธิบายว่าถึงตอบเธอก็ไม่หายสงสัยอยู่ดีปู่ทุชนนะ่ะจิตวิญญาณกับสมองมันอันเดียวกันหรือต่างกันกับร่างกายมันอันเดียวกันหรือต่างกัน ต่อไปแล้วมันก็จะต้องไปหาต่อไปอีกในมุมมองของนั ก, นกวิทยาศาสตร์ในมุมมองของนักจิตรยาในมุมมองของนักปรยาวนั้นก็อยู่อย่างนี้แหละเหมือนอะไรเธอหาคำตอบไม่รู้จบพระเจ้าบอกเหมือน ช, ชายคนหนึ่งถูกลูกศรยิงมาจากมุมไหนก็ไม่รู้ปักเขาให้อาบยาพิษด้วยเจ็บปวดแสนสาหัส เพื่อนจะอุ้มไปโรงพยาบาลคะทาชายนายคนนี้บอกอย่าพึ่งไปช่วยหาก่อนว่าลูกศร น, นี้ยิงมาจากทิศไหนมียาพิษทำด้วยอะไรไม้ลูกศรเนี่ยทำด้วยไม้ไหนใครเป็นคนยิงสังกัดวันณะกษัตริย์พรามแพทย์สูตรหาให้ได้ก่อนแล้วก็พาไปโรงพยาบาลพระพุทธเจ้าถามว่า เธอจะสำคัญข้อนี้เป็นไนว่าชายคนนั้นจะตายเสียก่อนจะได้ไปถอนลูกศร อ, อาบยาพิษใช่หรือไม่ใช่้าดแต่โรคพู้เจริญเช่นเดียวกันมัวแต่ถามคำถามพวกนี้เนี่ยทั้งๆ ท, งที่ความทุกข์มันทั่วหัวนะ่ะทำไมไม่ดับทุกข์ที่นี่เดี๋ยวนี้รักษาโลกเห็นความทุกข์ และเธอก็พ้นทุกข์แล้วจะไปตอบคำถามอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสรุปว่าอนุราทะอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีเราสอนอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ทุก์สมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคนิโรธคือความดับทุกข์สรุปแล้วสอนเรื่องอริยสัจสีและสอนไม่ได้เป็นปรัชญาไม่ได้เป็นทฤษฎีนะ ภาคปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ทานศีลภาวนาทุกเกิดที่ไหนปฏิบัติให้มันดับทุกข์และอย่างนี้จะไม่เรียกว่าพุทธเจ้าเป็นจิตแพทย์เหรอสัพพโล ก, กติกิจชโกลูกศิษย์เรียกพระุทธเจ้าว่าแพทย์ผู้เยียวยารักษาโรคให้ชาวโลกทั้งปวงมุมมองนี้ถูกจริตกับ โลกตะวันตกในปัจจุบันนำเอาไมฟูเนสไปรักษาไปบำบัดทุกข์โดยไม่ต้องตั้งคำถามทางปรัชญามากนักปฏิบัติกรรมฐานสอนกรรมฐานและคนที่ฉลาดไม่ยอมให้เรื่องนี้เข้าไปอยู่ในเดนแดนของมหายานหรือเทรวาท คนคนนี้เป็นผู้นำของวัชรยานจับมือกับนักวิทยาศาสตร์ให้นักวิทยาศาสตร์ใช้ MRI EEG แถบสมองวัดว่าเวลาที่ลามะนั่งกรรมาฐานเกิดอะไรขึ้นกับสมองเวลาที่คนมีสมาธิลึกคลื่นสมองอยู่ใน อันฟ้าเบต้าเทต้าหรืออะไรนักวิทยาศาสตร์ในอเมริกาโดยเฉพาะนิวโรโลยีประาสาทวิทยาตื่นเต้นกันมากคนที่ปฏิบัติกรรมาฐานนิจิตสงบเข้าพวังวัดได้โดย MRI โดยอ e g เอาไปโฆษณากันทั่วโลกและผู้ที่ไปจับมือกับนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้คืออง์ดาลไลลามะ ใช้เทคโนโลยีบวกกรรมฐานเพิ่มมูลค่าให้กับกรรมฐานไมฟูเนสอย่างยิ่งใหญ่อยู่ในโลกปัจจุบันชนิดที่าศาสนาอื่นมองด้วยตาข้างเดียวนี่คือนวัตกรรมที่เข้ามาในดินแดนแห่งนี้ในขณะที่เราก็ยังอยู่ในยุค 1.0 กันอยู่ เขาไปถึง 4.0 อยู่แล้วเราก็ยังสอนสิโยอังโยอยงั้นและแล้วมันจะไหวหรือพระคุณเจ้าฉะนั้นนวัตกรรมเริ่มจากภายในภายนอกดูมองดูโลกนี้กันบ้างโลกภายนอกกว้างไกลใครๆ ร, ร, รู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมจะมองโลกภายนอกมองออกไป จะมองโลกภายในให้มองตนเปลี่ยนโลกเริ่มจากตัวเราแต่อยู่แต่ในเชลยอยู่แต่ในกลาเราก็ไม่เห็นความจำเป็นที่เราจะต้องปรับให้ทันโลกดูบริบทข้างนอกบ้างเกิดการผสมผสานระหว่างเก่ากับใหม่เก่าที่มีการประดิษฐ์ไว้แล้วใหม่คือเทคโนโลยีและสิ่งที่คนนาเสนอวิธีการอะไรต่าง ก็จะช่วยให้เราได้การประยุกต์พระพุทธศาสนาประยุกต์พุทธธรรมให้มันเหมาะกับยุคสมัยและกลายเป็นนวัตกรรมที่เหมาะกับโลกตะวันตกยุโรปอเมริกาที่เขาคุยกันด้วยภาษา i n n โนเวเตอร์นวัตกรและเราก็จะต้องคุยด้วยภาษาของเขาในการที่จะนำเอาธรรมะพุทธธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าของเราคนพบและมีค่าอย่างยิ่ง ไปสู่โลกตะวันตกนี่คือเรื่องการเผยแพ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนที่ใครไปเขียนป้ายเอาไว้นั่นแหละเลยพูดมันสองเรื่องเลยกินเวลานิดหน่อยปลุกใจเราเองเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงเหมือนสตีฟจ๊อบบอกต้องนั่งกรรมาฐานพอเริ่มจากใจของเรามันก็ไปเปลี่ยนแปลงตัวเราครอบครัวเราวัดของเรา เปลี่ยนแปลงเมืองของเราเปลี่ยนแปลงประเทศของเราเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ใครจะใครจะนึกบ้างว่าเพียงคนคนเดียวอย่างสตีฟจ็อบเนี่ยมันเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ทําให้ประเทศไทยต้องเกิดไทยแลนด์ 4.0 ขึ้นมาตามความคิดของที่นี่และเมื่อเรามาอยู่ที่นี่เราก็จะต้องไปให้นําเขาไปสักหน่อยหนึ่งให้คนอื่นอยู่ข้างหลังเราเสือมันจะได้ไม่กินเรา เราก็จะสืบไวในดินแดนตะวันตกพุทธสนาก็จะอยู่รอดและเป็นประโยชน์ภัยสารต่อโลกนี้ต่อไปก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ว่าเริ่มจากใจของเราไปสู่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะทำร่วมกันไม่ว่าในฐานะแม่ทัพหรือในฐานะที่เป็นพลทหารสนับสนุนกองหนุนเราก็มีส่วนร่วมกันเปลี่ยนโลกใบนี้เหมือนกับที่ หลวงพ่อพระมงคลเทพโมลีท่านเปลี่ยนโลกตรงนี้ที่นี่ด้วยการเริ่มสร้างวัดและพระโยมก็มารับสนองนโยบายคนละไม้คนละมือเปลี่ยนโลกใบนี้ตรงนี้คือโอกาสสโลกแผ่นดินตรงนี้ไม่มีโบสถ์ทรงไทยแบบอุทยาทำให้เกิดทำให้มีวัดทำให้มีกุฏิทำให้กลมเกินกับธรรมชาตินี่โอกาสสโลก ท่านเปลี่ยนท่านเปลี่ยนสัตว์ตวโลกคือชุมชนสังคมที่นี่ให้มาอยู่ร่วมกันอย่างสันติอย่างน้อยเข้าวัดวันาทิตย์มาพบปะกันอาสาสมัครเป็นโวอรเนเทียกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ไม่ได้จ่ายสตางตอบแทนญาติโยมเป็นโวอรนเทียและมีความสุขในฐานะผู้ให้เปลี่ยน ชีวิตตัวเองเพราะเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมเป็นสังขารละโลกโลกที่สามก็คือตัวเราเองเปลี่ยนด้วยธรรมะด้วยจิตใจด้วยกรรมฐานเพราะฉะนั้นที่พูดมาว่าปลุกใจเปลี่ยนโลกก็คือสามโลกโลกที่หนึ่งตัวเราเองเปลี่ยนใจของเราสังขารลโลกสองเปลี่ยนสังคมที่นี่คนทั้งหลายสัตวโลกและสามเปลี่ยนดินแดนแห่งนี้ให มีสถาปัตยกรรมที่งดงามด้วยวัสดุวัตถุจากวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตไทยเราเรียกว่าเปลี่ยนโอกาสโลกพระพุทธเจ้าได้สอนไว้แล้วเราก็มาทำทำแล้วด้วยนวัตรกรรมเราก็เผยแผ่พุทธศาสนาณนะที่นี่และต่อไปเรื่อยๆแกคนรุ่นต่อไปในอนาคตก็ขออนุโมทนาและนึกถึงพระคุณของผู้ที่เริ่มขุดบ่อน้ำเริ่มปลูกต้นไม้อว้ มีพระเดชพระคุณพระมงคลเทโมลีเป็นต้นและบุรพาจารย์ครูบาจารย์ที่ถือไม้ส่งต่ อ, ตอกันมาจนถึงเจ้าอาวาสรูปจะปัจจุบันคือพระเดชพระคุณพระมงคอลรัตนวิเทศพร้อมทั้งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่อุปธรรมวัดนี้ขอให้ได้รับรู้ถึงความกตัญญูรู้คุณกตวเวีติตอบแทนคุณของพวกเราซึ่งมาจากที่ต่างๆได้แสดงออก ด้วยวิธีต่างๆเช่นทอดพระป่าเป็นต้นและในส่วนของอาตมาก็ให้ธรรมะเป็นธรรมทานเป็นการตอบแทนบุญคุณทั้งปวงขออำนาจแห่งบุญกุศลที่เราบำเพ็ญร่วมกันตั้งแต่ต้นจนบัดนี้จงมารวมกันเป็นตะบะเดชะภารวะปัจจัยอุทิศเป็นส่วนกุศลไปถวายพระเดชพระคุณพระมงคลเทพโมลีและบุรพาจารย์บุพการีผู้ร่วงรับไปเพื่อได้โปรดอนุโมทนาบุญ เพิ่มบรารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพและขอบราบอบรมีธรรมของพระเดชพระคุณและบุญกุศลทั้งปวงนี้จงเป็นปฏิพนย้อนสนองให้ทุกท่านที่มาร่วมงานนี้ทั้งก่อนนี้และในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยปฐนตรายทั้งปวงเจริญด้วยอายุวรณนะสุขะพละปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติ ปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ธรำก็ขอให้ความปราถนานั้น น, นจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จสมโมโหลดมุ่งมา่ปราถนาทุกประการตลอดกาลและนานเทิน